เราจะไปที่เด็กชายนักคุณก่อนเช่นเคยเด็กชายนักคุณอันนี้ต้องจ่ายค่าสมาชิก่อนนะต้องนั่งสมาธิห้านาทีไดมั้กมาาการธัรมชาิการพระอาจารย์ค่ะธรนมชาตการพระอาจารนั่งสมาธิห้านาทีได้ไหมได้ไหมคะได้หมไม่ ค่องดูพรนี้แล้ว อ, อค่อ ย, อ ค, อยอค่อยลองดูพรุ่งนี้แล้วกันค่ะป้าอาจารย์เ อ, อ่าใช่นั่งสมาธิไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ก็ได้นะได้ไหคะอ่านหทีนะครับถ้าอยากจะเป็นสมาชิกห้องนี้โอเคไหมครับห้องชิปโอเคค่ะออคุณแม่ต้องคอยต้องคอยจัดการนะค่ะตอนตอนนี้คือถ้าเขาทําผิดหรือว่าเ้ารู้สึกผิดเขาจะไปนั่งสมาธิ ทีห น, าน้ารูปหลวปู่ว่าเกศทางที่บ้านมีรูปหลวงปู่กกกเกศตังจริงค่ะอนั่งห้านาทีนะถ้าทำอะไรผิดก็นั่งห้านาทีก่อนจะเข้าห้องนี้ก็ไปนั่งห้านาทีก่อนค่อยเข้ามาได้ไหมคะได้ไหมคะหนึ่งนาทีได้ไหมคะพระอาจารย์เขาถามวอาหนึ่งนาทีมันมันน้อยไปน้อยไปห้านาทีนะครับโอเคไหมอืมนะครับ ส่วนมัไปก็ได้ส่วนข้ามโมตัดสาไปห้ารอบอ่ะโอเคไหมคะอ๋อโอเคดีค่ะอืา ไ, ได้คะ่ะ <c oughs> ถามว่าอาจารย์เวลาทำสมาทธิอ <c oughs> ชอบลืมตามมาถามค่ะได้หรือยังครับได้ยังซับอ่าส่วนให้ส่วนน้ำโมไปห้ารอบก็แล้วกันคนะ่ะครับอาจารย์ สวัสดีปีใหม่จีนนะคะพระอาจารย์ต้องซินเจียยูอีเลยจีเยูอีที่นี้ว่าใช่ค่ ะ, ะเมื่อตะ ก, กี้นะคุณเขาอยากไปดูคอนเสิร์ตจุดจีนที่หน้าห้างพาไปนั่งดูมาแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็รีบกลับมากับพระอาจารย์ค่ะอะือยังชอบคอนเสิร์อยู่นะเขาเขาเขาไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็บอกขอดูหน่อยคงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูอะคะอ่ะพ <laughs> อดูไปได้สองจำเพียงก็บอกอากับรัค่ะ ของอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องซ้อนกันนะไม่ต้องซ้อนเลยค่ะพระอาจารย์นั่งแถวหน้าเลยค่ะูกเคเลยมันซ้อนมาไม่ต้องเก็บเพราะเกียร์ชาตินะติดมาการมาชันท่าเนี่ยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสค่ะเอต้องทำจันทร์มันนะไม่งั้นจะต้องกลับมาเกิดเยอะเยค่ะพระอาจารย์ของหนู อดได้ล่ะค่ะก็คือไม่ไม่ดู <Okay. S 2> ทีวีไม่ดูคอนเสิร์ตปกติถ้าว่างจะมีเพลงค่ อ, อ๋อนะคุณเขาบอกว่าเขามีคําถามค่ะว่าทําไมเราต้องเกิดแก่เจ็บตายค่ะเพร า, เาชอบดูคอนเสิร์ตนีงไงอ้าวนี่ไงถ้าอาจารย์บอกว่าชอบดูคอนเสิร์ตทำไมดีถ้าอาจารย์บอกว่าชอบเพราชอบไปดูคอนเสิร์ตใ่ไหอ๋อชอบดูคอน ก็เลยต้องเกิดแก่จิตตายอ่าไปแม่ลยค่ะก็ฟังหนีมาฟังค่ะอัจารอบจิดีดีจริงดีีก่อนอาจาราชอบดูคอนเสิร์ตก็เลยต้องเกิดแก่จิตตายอะต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ดูไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่อยากดูคอนเสิร์ตก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องเกิด อะไรอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีร่างกายเราก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าหนู อ, อยากเกิดแก่เจ็บตายอีกปะละ่ะไม่อยากแต่ถ้าดื้อมันก็ไปนิพพานไม่ได้หรอมโอเคไม่ไีไหมไม่มีค่ ะ, ะอา <c oughs> จารย์พยายากจะทำทำให้ได้มากที่สุดตัดกิเลสให้ได้น ะ, ะตัวกามกามตัณหาเนี่ยตัวสำคัญนะ พา้<ไ>กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่รู้จักจบจากเส้นค่ะพระอาจารย์พยายามลดลดให้ได้เรื่องแสงสีอะไรต่างๆโดนตรงโดนตรีอแต่ก่อนดูซีรีส์ดู <laughs> ซีรีส์มีเท่าไหร่ <laughs> ดูหมดตอนนี้ลดมาได้หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ได้มาฟังค่ะอาจารย์ค่ะมันเป็นยาเสพติดดีเนี่ยนะให้รู้ก่อนเสพแล้วติดนะ ค่ะพอาจารย์โอเคค่ะนมัติการเจ้าค่ะให้ให้มาติดการสวดมนต์นั่งสมาธิดีก่อนนะค่ะอาจารย์อ่าพ<ห>ยายามนั่งสมาธิได้ติดสมาธิได้ก็ไม่ต้องกลับมาก็เข้าใครับค่ะโอเคถ่ายพัดจันพัดแขนแข็งแรงนะคะค่ะช่วยขอให้เราด้วยนะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นของเราไม่ขอไม่ได้ ค่ะอาจารย์โอเคไอที่จะแม<า>้จะทีจะแม้จะที่ตามนรมาสการพระอาจารย์ครับวันนี้ว่าส่งกัตมานครับอ่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้อเองมีความเจ็บไข<ด>้เป็นธรรมดาจะลงมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา จะลบบนความตาไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพลาดกับของรักของเจริญใจทั้งหลายทังปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหลือเป็นอากเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสร็ไปเราทั <รอ S 2> ้ ง, งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธออย่าลืมนะให้ฝังอยู่ในใจเราเรื่องความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นนี่เป็นข้อสอบที่เราต้องพยายามทําให้ผ่านให้ได้ที่ที่ผ่านก็คือวางเฉยไม่ทุกข์กับมันแล้วร่างกายเราก็ต้องศึกษาว่ามีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับลังผืชตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือด น้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแส่ข้อน้ำมูดน้ำกูดน้ำใส่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงือน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำเสล่น้ำดีเยื่ในสมองฉีดสารอาหารเก่า อาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตผังผืนตับหัวใจม้ามเย็นในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันและขนผมไว้งานไม่น่่งกายนี่ไม่ครับอ่ามีตัวตนไ้มมีตัวเราอยู่ในร่่งกายนี่หรือเปล่า จำไว้นะไม่สวยงามไม่มีตัวตนไม่เป็นเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่อีกโลกหนึ่งเราเพียงแต่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆทันนั้นเองเดี๋ยววันหนึ่งร่างกายกับเราก็ต้องแยกทางกันไปครับอนะ่าเข้าใจนะเข้าใจครับมีอะไรจะถามมั้ยไม่มีครับ เออยันไปที่น้องตะวันต่อขอบคุณทุกคนพระอาจารย์ครับอืมตะวั น, วนอันนี้พาพ่แม่มาด้วยเหรอช่วยับหายไปนานจ้าของอาจารย์อืม <c oughs> <c oughs> มีอะไรไหมวันนี้มีหนึ่งคำถามครับอ่าถามหน่อยครับเอ่อทำไมผมไม่ค่อมีสมาธิถ้าผมกำลังทำสมาธิอยู่เพราะไม่มีสติไง มันจะเรียนสติไม่ฝึกสติไว้ก่อนเหมือนกับถ้าเวลาหนูจะเรียนหนังสือถ้าหนูไม่ท่องเอบซไว้เดี๋ยวหนูก็อ่านหนังสือไม่ได้ใช่ไหมต้องท่อง a อ c บซก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก่อนเนี้ยมานั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนตั้งแต่เติ่งขึ้นมาเลย ต้องเดืตาขึ้นมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอหนูไปทำหน้าที่เตรียมตัวอย่าไปคิดถึงวันนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าหนูมีพุโทโธอยู่เยอะๆไว้มานั่งสมาธิพุโทโธก็จะไม่หายพุโทโธก็จะอยู่ขับใจใจก็จะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเข้าใจไหม <c oughs> นะถ้าพยายามฝึก ต้งพูดโทอยอยู่เรื่อยๆนะใค่ะอืมเนแมีอะไรไหมมีค่ะพระอาจารย์โยมอยากจะขอขอไกด์ไลน์กับพระอาจารย์นะคะว่าไม่รู้ว่าความอยากของโยมอตรงจุดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังอีกสักพู่นะคะว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวของโยมหรือเปล่าะคะ่ะพระอาจารย์เห็นแก่ตัวถ้ น, นความอยากมันก็มาจากความวอยากมันเป็นเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะออ ก็ทำเพื่อใครก็ทำเพื่อตัวเราไม่เช่หรือครับอายทำเพื่อเองหรือไม่ได่างวาทำให้คนนู้นคนนี้มันก็ทำให้เราอย่างละทำให้เราสบายใจใช่ไหมแต่เมื่อทำให้คนนั้นคนนี้ก็ทำเพื่อตัวเรานะะั่นนะแล้วถ้าสมมุติว่าทำให้คนอื่นแต่ว่าตัวเองมันเครียดแบบเนี้ยอะคะพระอาจารย์ก็ไป อ, อ, อยากอยากเกินความจริงไง ม, มันเป็นไปไม่ได้อย่างในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เครียดไปเลย ก็ดูสิว่าเป็นได้ทำได้ไหมทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้ว ก, ก็ช่วยไม่ได้ตรงเป็นโูเบค้าไปเป็นกรรมของเขาไปเราจะช่วยเขาแต่ช่วยเขาไม่ได้เช่นเขาติดยาเราจะช่วยให้เขาเลิกติดยาได้ไหมแต่เออยากให้เขาเลิกใช่ไหมอยากให้เขาไม่ติดแต่พอเขาไม่เลิกไม่ติดไม่เลิกแล้วเขาติดอยู่นี้เราก็เครียดขึ้นมา โยม <โย S 2> เองแหละคะ่ะมันยังติดช่วงอ่าเราต้องดูความจรงิงดูความจริง <c oughs> อย่าไปอยากในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้อยากไปก็เครียดไปเปล่าๆอย่างไม่แก่ยังไม่เจ็บอย่างไม่ตายนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมพระอาจารย์เมื่อเช้าโยมโยมขอขออนุญาตแฟนค่ะว่าขอไปคุยกับผู้ชายคนอื่นได้ไหมนะคะพระอาจารย์เขาไม่อนุญาตจะถามพระอาจารย์อ่าทไมไง เรไม่คุยเราเราคุยกรนตะวันไม่ได้เลยตะวันไม่ได้ไใช่เพราะอาารย์แล้วมันมันมีลูกรถกินเสียงสัมผัสไอ้ตัวที่สี่ตัวนี้มันยากมากมันแกะยากมากเลยจะพาไปน้อมถึงว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวของโยมหรือเปล่าใช่ค่ะพระอาจารย์คือไอ้ความคิดแรกเนี่ยเพราะว่าเราว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่คิดไปคิดมาเราว่าตัวเรานี่เราไมนเห็นแก่ตัวเพราะว่ามัน เพราะถ้าไม่หิง ก, กัตัวมันก็ต้องมันก็ต้องมีความสุขยอมรับทุกสถานการณ์แบบนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็แปลว่าตัวเรานี่มันก็มีปัญหาเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่็มีกิเลสไงมีความหลงมีความอยากก็ถึงแม่ฝึกอเบกขาไงให้อ ย, อยูเฉยเฉยถ้ามีอุเบกขามีความสุขในตัวเราใครอยากเป็นอะไรใครยากคุยก็ แฟนจะไปคุยผู้หญิงจะไปนอนกับผู้หญิงก็เรื่องของเขาไปเราไม่เดือดร้อนเราไม่คีความสุขพระอาจารย์โยมาอนุญาตนะคะพระอาจารย์ตอนนี้คือเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ทิ้งแต่ว่า อ, อย่างเขารักษาศีลแปใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนั้นนายโยมก็อัดโมทนาด้วยอย่างตอนที่โยมไปเมืองไทยอย่างเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ เขาก็ถือสินแปดประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์สุนยมก็ไอตัวข้อสามก็อภร m a จริยาแบบเนี้ไปอะค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่น้ํามันใกล้ไฟอย่างเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คืออยู่ห่างกันใช่ไห hmm. มคะที น, นี้พอพอกลับเข้ามาบ้านแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเขาก็ขอรักษาศิลสินแปดใช่ไหมคะอ่าก็คือประมาณสีห้าวันอย่างเงี้ยโยมก็โยมก็โมทนานะคะพระอาจารย์แต่ทีนี้ว่าความคาดหวังของโยมก็คือว่าพอเวลาที่อ่าไม่ได้เขาไม่ได้รักษาสินแปดอย่างเงี้ยก็คือว่าโยมคาดหวังว่า คือโยมก็ไม่ได้ไปขอเขาว่าเขาพระอาจารย์เพราะโยมก็มีสักศีใช่ไหมครับพระอาจารย์โยมก็ว่าเอ๊ะต้องมาสกิดกันหน่อยซี่อะไรแบบเนี้แล้วทีนี้พอมันไม่เกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์อย่างงี้โยมก็คิดว่าโอเคแต่โยมไม่ได้บอกเขานะคะพระอาจารย์โยมก็บอกเขาว่าโยมก็เฉยๆไปเพราะว่าโอเคอคุณกอาจจะมีเหตุผลของคุณอะไรแบบนี้โยมก็มาคิดดูว่าเป็นเพราะโยมอ่ะมันมีตัวไอตว้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะคะพระอาจารย์ตัวความอยากแบบนี้คระอาจารย์แล้วมันก็ทุกแต่โยมรู้ว่ามันทุกกกโยยม็เลแ้ป pues ัญหาาว่ gard. โยมก็เลยย้ายห้องนอนออกมาออกมานอนที่ที่ที่ ท, ท, ท, ที่ที่ข้างนอกที่โซฟาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แต่จริงใจว่าถ้างั้นโยมก็เป็นแบบว่าคุณปฏิบัติไปแล้วแล้วฉันก็อยู่ในบ้านฉันก็ก็เป็นอภพพอร์จริยาไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แบบว่าไม่ต้องมาถูกถูกตัวกันอย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญเมื่อเมื่อช่วงเช้าอย่างเงี้ย อยู่ๆเขาก็เดินมาโดนตัวโยมแต่ว่าโยมโยมไม่อยากจะไปโดนกับเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำมันใกล้ไฟแล้วความยากของโยมมันจะขึ้นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มันง่ายร่างกายมันก็ไม่ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วมันต้องใช้อสุภาษะไม่ยอมใช้อสุภาะกันพระอาจารย์โยมก็ใช้นะคะพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามันก็ไอ้ตัวเนี้ยโยมว่ามันยากมากเลยไอตัวเดี๋ยวนะคะอรูปเป็อะไรนะคะรูปรไอ้ตัวเนี้ยค่ะพระตัวสุดท้ายอะค่ะไอตัวผัดสาตัวเนี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้มันยากค่ะพระอาจารย์คือหมายความว่าแต่โยมคิดดูว่าจากสิบเนี่ย เมื่อก่อนอาจจะเต็มสิบแต่ว่าความเฉี่อะในความต้องการมันจะเหลือแค่สองอย่างขี้แปดครั้งเนี่ยคือมันมันมันก็โอเคเอาออกไปได้สลัดออกได้แต่ว่าไอ้สองครั้งบางครั้งเนี่ยมันโยมก็ยังมีตรงนี้อยู่ค่ะการนึกถึงอสูรภาพนึกถึงสร้างศพเนี่ยยกระดับเป็นสมบัตสร้างศพแม่ถ้าเกิดเขาตายวันนี้แลยังจะไปกอดเขาหรืเปล่ามันคิดแต่เอาไม่หยุดใช่โยมก็เลยตัดสินใจ ว, ว่าตอนนี้คือโยมไม่เอาไม่เอาอินพุตเข้าเลยอ่ะก็คือว่า ก็คือโอเคแยกตาโคนต่างคุณทำมาได้คุณไปมันก็ไม่แก้หรอมันต้องแก้ด้วยยาสุภาพเราค่ะที่ยากนั้นก็เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อทําให้มันยากหน่อยแต่มันก็ยังเดี๋ยวมันก็มันก็แหกได้มันมันอยู่ห่างไกลขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็ดูดเข้าหากันได้ถึงถึงเวลามันจะดูดเข้าหากันแต่ถ้ามียาสุภาพนี่มันไม่ดูดแล้วมันถูก neutralize แล้ว ไอตัวแต่กับคู่ตัวเองอะมันยากมันยากมันอีกมันยากมาอีกเลเวลหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ยากก็ต้องทําำ่ะออใช่ค่ะพระอาจารย์มันต้องทำพอตอนที่พระเจ้าจักรพรดิรู้ก็มีพยามารมาล่อไ่นั่งพญามารสวยๆยามงามมาล่อะอืมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือโยมเห็นกับตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือเขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องเขาไปอ่ะแต่ คือมันถ้าเราต้องเป็นนักปฏิบัติเราต้องปล่อยหมดนะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนเมื่อพ่อมีอาส่าพ่อสามีลูกเนี่ยปล่อยหมดไปยึดไปติดเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยววันได้วันหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะเสียใจไป่ยมอยาก เ, เขาก็โยมก็บอกว่างั้นก็คุณก็ไปหาไปหาผู้หญิงใหม่ก็ได้ที่ไม่เรื่องมากอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ดูว่า โยมบอกว่าไล่ให้เขาไปบวชเลยเขาก็เสียใจว่าโยมไปไล่เขาให้ไปบวชก็โยมบอกเขาว่าคือเราอ่าคือคือเราก็รู้ตัวเราเราว่าเราอ่ะเรายังมีความต้องการอยู่แต่ว่าเราก็อยากจะให้มันมันหมดความต้องการเลยเพราะมันก็ถูกค่ะพระอาจารย์แต่เราก็ยอมรับเพราเรายังไม่ได้เป็นอนาคามีอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็โยมก็ไม่ได้มีมาเยตมานยาว่าว่าโยมไม่มีความต้องการอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโยมรู้ว่าอันนี้มันมันเป็นข้อเสียของโยมมันก็ทุกมันทําให้ทุกก็ค่ะพระอาจารย์ ก็ยังอยู่ด้วยการกต้องถือศีลห้าไปก่อนก็แล้วกันนี่แต่แต่เดี๋ยจะมีปัญหากันเดี๋ยวังมีปัญหาก็เนี่หนุก็เนี่ยค่ะโยมก็เลยว่าเอแก้ปัญหาด้วยการว่าโอเคโมทนาของคุณไปคุณทําอะไรคุณทําไปแต่ว่างั้นเราก็ไปคุยคนอื่นแล้วเยอะเข่าเดี๋ยวก็ไปหาเดี๋ยวก็ไปหาคนอื่นจริงๆอ่ะก็เลยไม่ถึงว่าโยมาไปหาคนอื่นแต่ถ้าเขาไปหาคนอื่นก็เรื่องของเขาไปแต่ว่าก็คือว่ามันแต่มันติดสมมติว่าเป็นภรรยาสามีอ่ย่างเป็นภรรยากสามีค่ะพระอาจารย์ โยมก็บอกว่าใช่มางทีสมมุติแล้วโยมก็บอกเขาว่าอ้าวมันคุณก็เป็น c a r e เก k e r ของเราก็แล้วกันงั้นแปลว่าถ้าคุณเป็น c เท e t a k e r เป็นเพื่อนเราเพื่อนธรรมนะเน่ะแปลว่าเราก็ไปคุยคนอื่นได้นะคุณก็ดูแลเราเราก็ดูแ ล, แ ล, แ ล, แ ล, แลคุณไปเขาก็ไม่ยอมอย่างนี้ค่ะใช่เพราะเขาถือว่าไปเขาเราเป็นของเขาเยอะเลยแต่คือแต่โยมอ่ะคือว่าโยมเรื่องมากตรงที่ว่าอ้าถ้าคุณไปเปลี่ยนสถานะปุ๊บคุณอยากทําอะไรคุณทําแต่ถ้าคุณคุณ เเป็นภระยาเป็นสามีของเราคุก็ต้องทําหน้าที่ตรงส่วนนั้นด้วยค่ะพระอาจารย์อันนี้คือเป็นเป็นเงื่อนไขที่แบบของกิเลสโยมอย่างนี้ค่ะพระาอาจารย์แล้วก็ไม่ทําเลยก็ก็จะโยมรออยู่แต่โยมก็จะไม่ออกอย่าบอกน่ถงว่าเขาก็โดนตัวอะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าวเราก็ต้องใจเย็นๆเสียบางทีเขายังไม่มีอารมณ์ก็ได้ถ้ามันพระอาจารย์คือเขามีความคิดขึ้นมาแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะเข่งคัดตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ ก็คุยอะค่ะเขาาก็มีความคิดเข้ามาในหัวแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์แต่โยมเหมือนกับว่าคือโยมมันไม่โยมดูว่าโยมไม่ตายหรอกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนให้อาหารแบบว่าอ่ะเหมือนเขาเป็นเขาเป็นโยมเป็นหมาอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นเจ้าของเขาให้ขนมโยมอย่างเงี้ยให้แค่ว่าอาจจะให้แบบสมมุติว่าโอเคเดือนละครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าโยมโยมอยากกินมากกว่านั้นอย่างเงี้ยป่ะก็เป็นปัญหาของเราทีตรงก็ใช่อะค่ะโยมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหากินข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ต้องขออนุญาตเขาก่อนอ่ะ ถ้าเขาไม่มอยอมก็ทําไม่ได้โยมก็เลยเซ็งอย่างเนี้ค่ะพระจารย์ก็ลก้องขอที่ญาติดูเผื่อเขาจะได้สติว่าขอไปแล้วขอไปแล้วค่ะขอไปแล้วออแล้วก็ไม่ยอมโตไม่ยอยมค่ะพระจารย์แล้วโยม ย, ยู่งยิ่ก็ต้องทำหน้าที่ของอยู่ให้เต็มที่ก็โยมแก้ปัญหาด้วยการว่าปัญหาของโยมคือความอยากใช่ไหมคะพระจารย์โยมจะสกัดตรงนี้แล้วโยมก็แบบว่าคือตอนเนี้คือก่อนนั้นนี่คือมันสงบมาสองสัปดาห์แล้วค่ะพระจารย์จนมาเมื่อเช้าเนี่ยเขามาแตะตัวโยมโยมก็ราคาญว่า คุณจะมาแตะทําไมแล้วเดี๋ยวปัญหาฉันก็จะกลับมาอีกเพราะว่าคือเหมือนว่าโยมาทําใจได้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ยค่ะน้อใจด้วยกันอืต้องเวลาเขาไม่พร้อมก็เราก็ต้องใจเย็นๆรอไปก่อนอย่าไปก่อดเขาโยมก็ร้อรอจนรอแบบเซ็งมากเลยครับก็ดีเขาเขาไม่มาก็ดีเราจะได้ฝึกขัดถือศีลแปดไปเลยตัวเลยออกคิดในแง่นี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เขาไม่มาเลยถ้ายิ่งดีไง อ๋อคือโยงก็คิดตรงนี้เหมือนกันคิดแต่คิดได้แค่แป๊บเดียงแบบว่าฉันก็ยังไม่ใช่อนาคามีเราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายแล้วว่าจะเต้องการจะเป็นอนาคามีใช่แต่เป้าหมายนั้นคือจริงจริจ้ะค่ะพระอาจารย์เป้าหมายถ้าไม่มีโอกาสที่ได้ได้ได้ได้ยุ่งเกี่ยวได้ก็ก็ดีถือว่าเป็นบุญของเราเราจะได้อพิวิกรเป็นโอกาสใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือความ ก็เนี่ยมันมามันดีมากมันมันเริ่มจะดีมาแล้วเริ่มเริ่มจะอยู่ตัวละวสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแยกออกมาแล้วไม่ต้องมายุ่งแล้วจนมาโดนเราเราก็ปี๊ใส่เลยอย่างนี้เลยพระอาจารย์มันจะเป็นอีโก้ของโยมด้วยค่ะพระอาจารย์ยังไปปี๊ใส่ทำไมงั้นเมื่อคุณราเขาอยู่แล้วเข้ามาคุณคุณจะดีใจคุณกลับไปกอดคุณอีกไดยมาตอนที่เราไม่ต้องการที่เลยมันหวนอ่ะกันอย่างนี้ โลกแตกมีปัญหาโลกแตกมันกแตกมันก็เป็นอีกโ ก, โก้ของโยมเป็นสักสีของโยมอย่างเงี้ยด้วยค่ะพระอาจารย์ยังมีอัตราตัวโดนอย่ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพราะตอนนอนอยู่อยู่ข้างกันะก็ไม่เห็นมาสักิเลยพอเราย้ายออกมาปุ๊บเนี้ยเอาแล้วเราก็อุตส่าห<ม>์เปลี่ยนปรับตัวเองแล้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้แหละถ้าถ้าเป็นอย่างที่ไปสักวันเนมันคงจะต้องแยกทางกันเดินะโยมก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอที่พระอาจารย์บอกอ่ะถือว่าเป็น เป็นโอกาสที่เราได้ได้อะไรไ ด, ได้ฝึกได้ฝึกตัวตนของเราอะ่ะอย่างนี้ค่ะพ่อจารย์อันนี้อันนี้โย ม, มา่าอันนี้โยม่านั่นน่าจะไปแนวนี้มากกว่าค่ะพ่อจารย์ เ, เพราะว่ า, เ, าเพราะตอนนี้ยโยมคิดได้แล้วว่าสมมติอ่าสมตสมติเขาอนุญาตเราไปคนอื่นปุ๊บอะมันก็เหมือนกับว่าย้ายที่เขาเรียกว่าเหมือนยาเสพติดอะเปลี่ยน ย, าย้าเสพติดอันนี้เราไม่เอาแล้วเราไปย้ายโยมก็จะไปย้ายไม่ได้แก้ปัญหามันตอบสน้องต้นหาความอยากควรจะดีใจที่เขาไม่มายุ่งกับเรา แทนที่จะแทน แ, แต่เราไม่มีสติดังนั้นถูกอำนาจของการหาความอยากอยากจะเสพมันก็เลยเอาอยูไม่ให้เราเราก็ไปหาที่อื่นนะ อ, าอ่าทยิงยูต้องลืมไปว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อเลิกเสพอ่าถ้าเขาไม่มาให้ยาเราเสพแล้วก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องเสพ ใช่เขาให้แต่ว่าไม่ได้ให้เอเขาเรียวกว่าความฉี่เหมือนให้ขนมเยอะเหมันได้ดนด้อยไปคือมันเป็นความ<ห>อยากอเราว่มีความคาดหวังอย่างเย้ะเาาจ้าค่ะเขาไม่ให้เราก็ดีเพราะเราจะได้ลดความอยากลงไปเรื่อยๆว่าทุกครั้งที่เราเสพมันก็จะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นทุกครั้งที่เราไม่ได้เสพมันก็จะลดความอยากเราลงไปแล้วสมุดเวลาเขาจะมาให้เราแต่ว่าเราเราไม่กินอ่ะแล้วทําไมเขาต้องโกรธเขาต้องเขาต้องเสียใจด้วยล่ะ ก็มันเรื่องของเขามันไม่ใช่เรือกของเราโยมจะยมถายวิธีให้พระจันทร์มาเข้าข้างโยมให้ได้แต่ไม่ได้เราไม่เข้าเราทำมาไม่เข้าใครออกใครเราไม่ต้องไปกังวลเขาอยู่เรานามี้เราอยากปอยากเนี่ยปัญหาเราตอนนี้คืออยากพอไม่ได้ก็โกรธเขาเลยพอเขาจะเขาอยากว่ากเราก็ไม่กอนเขาใส่เขาอีกเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องขึ้นมา มันงอนไหมพระอาจาตัวแรกตอนแรกมันงอนอยู่แต่ว่าภาคหลังขึ้นเหมือนกับว่ามันทําใจได้แล้วประมาณว่าอ <öyle. S 2> เออไ ม, ไม่ไม่ต้องเอานะ้ำเอาน้ำมันมาละพอตอนนี้อยู่โอเคแล้วเฉยๆแล้วมันมันเฉยๆมันไปเรื่อยๆของมันอย่างนี้คะ่พะพระอาจารย์เราต้องเราต้องพยายามห้ามใจเราอย่าไปรยากแต่เมื่อเข้ามาขอให้เราทําหน้าที่เราก็ทําไปเป็นเหมือ น, นทางานไปท่านนั่นเองได้ไม่มีปัญหากันแต่เราอย่าประหยัดในตัวเขาก็แล้วกันอย่าไปรยากให้เขามาทําอะไรกับเรา เขามาก็ได้เขาไม่มาก็ได้เมื่อเรายังอยู่ด้วยกันแบ็นสามีภรรยากันเราก็ยังต้องทำหน้าที่ของสามีภรรยากันอยู่แต่เราไม่ไม่ไม่แคร์ว่าถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาเราก็ไม่ไม่โกรธเขาไม่ไม่เสียใจเพราะเราต้องไม่ต้องการที่จะมีอะไรกับเขาอยู่แล้วนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติใช่อือ ใช่ไมเป้ามายเราต้องการละตันฐานตอนนี้เราไม่ต้องการที่จะไปเสพการของใครแต่เมื่อยังอยู่ด้วยกันเราก็ยังมีภาระที่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตอบสนองตันหาความอยากของเขาอยู่ก็ mm hmm. ปล่อยให้เขาอยากไปแต่เราไม่แต่เราจะไม่ปล่อยให้ความอยากเราผักก็เราให้ไปหาเขาละต่อไปนี้เราไม่ไปหาเขาแล้ว mm hmm. แต่เมื่อยังอยู่ร่วมกันอยู่ก็ต้องเสียค่าเช่าบ้านพูดง่ายๆเสียเขาเป็คนจ่ายค่าเช่าบ้านให้เราแล้วก็ล หน้ า, <ม>าที่ของโยมก็คือว่าโยมจะจัดตัวนี้ไปให้ได้สักการานาแล้วก็ในอนาคตก็คือว่ามันก็ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าคือทําาาทำไปตามหน้าที่เมื่อเร า, เ า, ม, ามันอยู่ในใจเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยอตัวนี้เราก็ขายของของแเราต้องขายของเข้าไปเมื่อมีคนมาซื้ออันเงี้ยหรือ<ม>ว่าเข้ามาเข้ามามาเก็บค่าเช่าบ้านนะครับก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้เขา แต่แล้วไม่มีอารมณ์เท่าไหญ่ไหมเป็นกิริยาไปเพื่อเพื่อว่ามันมันถ้ามองในอีกแง่ถ้าตามใจยังต้อง ต, ต้องอยู่ แ, แ, แบบแยกกั น, ใน่าาชาใช่ไหมคะพรรย์ใช่ถ้าตามใจยังต้องอยู่แบบสามีภรรยากันอยู่ก็ต้องให้ต้องทำหน้าที่ของภรรยาไปเนื่งแต่ว่าในใจเราไม่ได้ไม่มีความยินดีกับมันแล้วไม่เดือดร้อนเสพก็ได้ไม่เสพก็ได้ เนี่ยพระพระอาหารนี่ท่ายังต้องสัมผัสกับโลกธรรมแปดอยู่แต่ท่านไม่มีอารมณ์กับมันนะใครให้เงินมาก็ไม่ได้ดีใจใครเขโมองมเงินไปก็ไม่ได้เสียใจใครชมก็ไม่ได้ดีใจใครด่าก็ไม่ได้เสียใจรับรู้เฉยๆไปทําหน้าที่ไปเข้าใจไหมถ้า ย, ยังอยู่กับโลกอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารนี่ท่านก็ยังต้องสัมผัสกับโลกธรรมอยู่ แต่ใจท่านไม่ได้มีความวุ่นวายไปกับมันนะมาเข้าปปปล่อยมันมาไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปห้ามมันไม่ได้อนาตตาทุกอย่างสเปธมานาตาแฟนเราก็เหมือนกันเขาจะมาก็ปล่อยเขามาไยเขาไม่มาก็ไม่ต้องไปดึงเขามาก็จบแล้นั่นเองมเหมือนอาหารเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าได้อะไรมาก็กินไม่ได้ยินดีอย่างนะี้แต่ว่าโยมติดตรงอาหารลดอาหารอยู่กับไอตัวสัมผัสตรงนี้เจ้าค่ะพระโยมว่าตรงนี้มันสําหรับโยมมัน มันจะยากขึ้นแต่ต้องทำไม่ได้ต้องพยายามพิจารณาสุภาพอหู่เลยก็ค่ะท่านถ้าเขาสมมติถามว่าถ้าเกิดเ้าตายวันนี้เราอย่างยังขออนอนกับเขาสักคืนหนึ่งเมื่อคืนนี้คิดแล้วมันได้ประเดี๋ยวเองเราคิดบ่อยๆสิเไม่คิดบ่อเราคิดบ่อยๆแตคิดทั้งวันเลยนี่เป็นโจทย์ของเราไปดูคนตายแล้วดูสิว่าเราอย่ากล้านอนกับคนคนตายไหยไปดูสร้างศพคนๆไปนะ ไปงานศพเป็นไปรดน้ํางานศพคนเนี้ยทำให้ถ้าเขาเป็นสามีเราเรายังย็นอย่าอย่ให้เขานอนกับเราอยู่หรือเปล่าอย่าสัมผัสกับเขาอยู่หรือเปลอดีไม่ดียังไม่กล้าแตะตัวก็เลยน้องปลอมรว่าเขาตายไหมฮะใช่ไหมจากจากจากสิบครั้งอย่างเงี้ยมันลดมาเหลือสักสิบครั้งแล้วอะค่ะไอจากเหลือจากสิบจากเหลือสแบบว่ามันก็ยังทุกอยู่อ่ะมันต้องให้เหลือซีโรเลยอ่ะมันจะได้ไม่ทุก ก็นั่นี่ถึงบอกให้พิจารณาสุภาพองนั้นมันก็ได้ศีลต้องให้มันอมันไม่ยากหรอกก็คิดไปเรื่อยทำไมเม่อก่นไม่เห็นทุกเลยพรอาจารย์ถ้าก่อตายถ้าก่อตายวันนี้แล้วเรายังจะยังยากยังยังจะกล้าไปแตดเนื้อต้องตัวเขาอยู่หรือเปล่ายิ่งถ้าไปเจอสภาพสมที่เป็นอุบัติเหตุนี่ หรือศพตายไปสองสามวันแล้วก็ไปเจอศพหายไปแล้วไปตามหาไปเจอขึ้นอื่นแล้วเนี่ยต้องนึกถึงภาพแบบนี้บ้างเลยถึงจะได้เอตัดตันหาความอยากได้ไอตอนนี้มันร้ายกาจเราต้องหาวิธีสู้กับมันให้ได้พี่แย่มากมันร้ายมากมากสําหรับอาจารย์เราอย่าไปโกรธเขาเราอย่าไปยินดีได้งเขา เขาจะทำอะไรมันเป็นเรื่องของเขาเขาเป็นเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องมามามามามาทวงหนี้เราก็ปล่อยเราก็ใช้หนี้เขาไปในฐานะที่เราเป็นคู่กั น, นเป็นเป็นหนี้บุงคุณกันเขาก็ทำหน้าที่เลี้ยงดูเราเราก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูเขาไปตอบสนองกันไปใช่<ด>แตใจญญเราไม่ได้ไปนยินดีกืนแต่หน้าที่อื่นเขาก็ไม่ไม่ขัดตกบกพร่องเลยค่ะพระช า, าเรื่องเรื่อง การดูแลอะไรทุกอย่างมันก็มันก็ดีหมดจ้ะค่ะก็เหมือนพูดง่ายก็เหมือนสเพณีสเภณีเขาเป็นยินดีกับคนที่มามาเที่ยวไหมเาก็ไม่ยินดีใช่ไหมเขาำหน้าที่เาจะได้ยินกันซื้อซื้อข้าวกินจ่ายค่าเช่บ้านของเขาไปก็ทาอย่างนี้นแล้เป็นสเณีอัพค่าตัวเดี๋ยวต้องอัพค่าตัวซะหน่อยค่ะ่ะอัพค่าตัวะป่อยะเดี๋ยอัพค่าตัวนะคะ เจ้าค่ะพระอาจารย์ ก, ก็ก็ฟังคุยกับพระอาจารย์แล้วสบายใจขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็ก็ดีสบายใจก็ดีกลัวจะไม่สบายใจกลัวจะนอนไม่หลับ <laughs> ตอนแรกก็ก็งอนอยู่ตอนหลังไม่งอนแล้วค่ะแต่มันไม่งอนตอนนี้ไม่งอนไม่งอนแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่า <c oughs> มันมันจริงๆด้วยแนะจริงแต่ว่า โยมอยากได้คํายืนยันจากพระอาจารย์ว่าเออทำตามหน้าที่อะไรเป็นแบบนี้ค่ะแล้วนึงทำที่พระเจ้าสามารถทําทตัวให้เป็นแจว่ะแล้เนี่ยทเป็นตัวเป็นเจ้านายอยูเจ้านายเขาอยู่มันก็เลยมีปัญหาตัวอัตอตาเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นแม่ของปัญกายเลดทั้งหลายเลยนะคะพระอาจารย์ไอ้ัวนี้ตัว อ, อัตตาตัวตนควจะเข้าใจพยายาม พยายามฝึกกับสุภาพไปเนี้ยปัญหาเราอยู่ตรงเนี้ตรงที่ยังมองเห็นเขาเขาเป็นร่างกายที่หน้าหน้ากอดหน้าแตะหน้าสัมพันธสอยู่อลองลสมมติว่าถ้าเกิดเขาตายตกน้าทะเลไปแล้วก่อนจะหาศพเจอสองสาวันขึ้นหร่อลอยขึ้น่อยอย่าไปก้างก่อนเขาไหมเจ้ค่ะพอ า, าจา ร, ราจะคิดให้บ่อยขึ้นจะคิดให้บ่อยขึ้นแต่แล้วเคิดบ่อยบ่อยมันยากตรงไหนมัน เรื่องนได้ทั้งวันทั้งคืนคินได้แต่เรื่องที่ไม่ได้มันยิ่งมันเปิดก็กิเลสกิเลสมันต้านเลยถึงต้องมีสมาธิถึงจะคิดได้่ถ้าไม่มีถ้ามีสมาธิกิเลสมันทํางานอยู่มันต้านไม่ยามให้เราไปเปิดดูหรอนังสือออสุภาพิตใช่เราไปเปิดดูหนังสือแฟชั่นมากกว่า เราโยมตอนนี้ก็พยายามลดลดปริมาณอาหารลุงเฉพาพระอาจารย์เพราะว่าไม่งั้นมันก็เหมือนกับไปส่งเสริมไตัวการราคาด้วยค่ะอ่าอันนี้ก็มีส่วนสนับสนุนแต่ตัวปัญหาหลักก็คือการมองมองมองน่างกายว่ามันสวยแล้วไม่สวยถ้า<อ>มองว่ามันไม่สวยแล้วมันก็ไม่ไมไ ม, ไม่มีความอยากที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยแนะโอเคนะนีคำถามอีกเอาไว้ของบอหน้าก็เลยค่ะมันจะนานค่ะ โอเคเอาข้าว ห, หน้าเนี่ยแบกไว้หน่อยเดียวเอาเรื่องอะไรมาปรึกษาพาาระอาจารย์กันเนี <laughs> ่ย <laughs> ไปความจริงก็พระพพาาร <laughs> อาจารย์ขอขอบคุณพระอาจารย์น้องพีก็คุณแม่น้องพีต้าน้องพีมีอะไรจะถามไหมจ่ายค่าตั๋วยังจ่ายค่าสมาชิกยังวันนี้ค <laughs> ่ะน้องแม่สักแกนคหลวงพอ <laughs> <ต> <laughs> ่อจ่ยค่อ่ะ จ่ายแล้วนะสวดมนต์แล้ว น, น, นั่งสมาธิห้านาที่ทั้งทั้งสวดทั้งนั่งค่ะอะ<า>ะแต่สวด น, นั่งก็ขี้เกียจตอนนี้ก็ทั้งนั่งทั้งสวดค่ะพยายามทําไปเรื่อยๆทําได้ทุกวันยิ่งได้ยินดีนะยินดีค่ะไม่มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะหลวงพ่อฟังเรื่องของนหนอ่นแล้วก็ทําให้เราสบายใจกันเยอะนะเราไม่มีปัญหาเหมือนเขาะ ก็ <c oughs> ปัญหาของหลายๆท่านในนี้ก็ถ้าเกิดว่าได้ฟังมันก็มันก็ได้ทําให้เราแบบว่าได้มองได้มองอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะแล้วก็บางทีอาจจะแบบว่าปัญหาเขาอาจจะเหมือนกับเราแต่เราอาจจะแบบไม่ไม่ได้มีคําถามแต่พอเราฟังแล้วเราก็เออแต่ละคนก็มีปัญหาแต่ละอย่างแล้วเขาสามารถจัดการปัญหาเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ฟัง ดถ้าเกิดเรามีปัญหาเราจะได้ จ, จะใช้อุบายของเรามาใช้กเราก็ได้ต่อไปได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ปัญหาคนละแบบอที ม, มันยังไม่ถึงปัญหาตรงนั้นแต่ว่าพอเราได้ฟังก่อนพอพอเราเจอปัญหาแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนๆจะญาติธรรมในนี้เราก็สามารถที่จะแบบว่าเออเราได้ฟังมาแล้วแนละ้วอาจจะแบบว่าข้ามข้ามผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้เร็วค่ะี่ โอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็รจะไปต่อน ะ, อนะอค่ะข่า่กาบนมัสการนะเจ้าค่ะก็ให้แฟนที่ที่คุณฝนกับน้องทิมน้องทิมกับคุณฝนวันนี้แฟนเข้ามาด้วยนะกรคบนมัสการพระอาจารย์ครบที้เลยนะคุณพ่อบรรจุจีนะคะคุณพ่อเลยหย<อ>ุดอยู่บ้านคะ่ะก็เลยพาตรงตกับวันพุธพอดีเลยพาเข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอืี่ค่ะ อ่ะหนูจะถามไหมของหนูอะ่ะมีคำถามครับวิธีทาําให้เวละพวเราเราทำที่ความคันนะครับเราจะอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธ ท, ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธไปอย่าไปสนใจสักห้าสักแปบไม่กี่นาทีไม่กี่ไนาทีเ น, นี้ยมันก็ลืมความคันไปครับอย่าไปคิดถึงความคันยิ่งคิดมานยิ่งคันใหญ่นะครับได้กค่ะพยายามท่องพุทธโทธพุทธโธแล้วสวดมนต์ อิติปิโสไปก็ได้หรส่วนบนนั้นะไ่้พยายามสวดไปสวดไปอย่าไปคิดถึงความคันเดี๋ยวก็จะเลื่อนมันไปแล้วมันก็จะหายคันครับจะพยายามทําครับใช่ห้องนะอิติปิโสดได้ไหมก็ช่วงนี้ก็มีสวดมนต์ว่าพระนั่งสมาธิทุกวันธรรมดาแล้วก็นั่งสมาธิเวลาห้านาทีครับอดี เฉพ <อ S 2> าะมันธรรานะเจ้าค่ะถ้านางแล้วมันคันมันเจ็ บ, นบนแลก็สวดมนต์ไปเดี๋ยวมันจะหายคันหายเจ็บไเไงนะดูไหมลูกครับนะค่ะพยายามนะพยายามไปแบบดีเอาไปหนุนจะเก่งหนุนจะมีอันติมีความอดทน อ, ด, นนะอดั้านนะเฉยเฉยได้ครับ อย่างนี้นะไดครับใช่ไรมยางทำถ้าปากพระเจ้าเราต้องทำให้ได้นะลูกก็ต้องมีสัจจะนะพยายามอยู่หน้ะวันนะห้านาทีนะสวดมนต์ในนั่งสมาธิทุกวันนะเสือกุกวันครับอ่าดีวันธรรมดาพนะสุเนศวันธรรมดาสุสวรรค์ที่ก็มีข้อ excuse มีรายการมีทีวีมีเกมให้ดูพยายามทำทุกวันนะลูกนะเอาทักเอาต่พยายามก่อนแล้วกันนะ เนาะอืมที่เราทําไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งรับปแต่เราพยายามก่อนโอเคไหมนะคะจะพยายามครับโอเคไหมขอบครับ่ะีอะไรไหมคุณแม่คุณพ่อมีอะไรไหมไม่มีครับอาจารย์คุณพ่อมีพยายามพยายามถ้าแต่เขามีโอกาสก็จะพยายามให้เขาเข้ามาเอ่อมาได้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าโยมบอกเขาแล้วว่าช่วงไหนที่เขาขึ้นพัทยาแล้วค่ะโยมก็จะฝากเอ่อให้เขาเข้าวัดไป ลองให้เขาเข้าวัดไป่ทําบุญสัหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลองสําผัสดูใหม่ๆมันอาจจะรู้สึกไม่ไม่ไม่ไม่ประทับใจแต่เข้าไปบ่อยๆแล้วเหมืนกัจะเริ่มซึมซับก็ไปในใจเราส่วนหนูก็อืมหนูว่าช่วงนี้หนูว่าอาจจะถอยหลังลงไปหน่อยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ก็รู้ตัวค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวมันเหมือนมันมีอัพ ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ช่วงช่วงนี้<ม>บางบางอาทิตย์ไหนดีก็ดีดีดอาทิตย์ไหนที่แบบไม่ค่อยดีก็ดรอปดรอปลงมาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนเรารู้ไหมเราก็รู้ตัวค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีช่วงขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ค่ะระมันมีอาจารย์ในชีวิตเราแต่ละวันที่มีที่มีคลกระทบต่ อ, อการปฏิบัติของเราอืมยังก็เป็นธรรมดาเราก็ต้องพยายามฝึกให้มีวินัย จันจรสตินั่งสมาธิตามเวลาที่เรากำหนดไว้เพื่ออย่างนั้นจะได้ต้านต้านการเ ป, ปลี่ยนแปลงการขึ้นขึ้ น, นล ง, ล ง, ลงของภาวะจิตใจเราหรือมนั่งจะไม่อยากนั่งก็ต้องนั่งเหมือนกับ ก, กินอาหา ร, นนรเานี่ยพอถึงเวลาจะต้องกินอาหารไม่หิวก็ต้องกินเพราะว่าเดี๋ยถ้าไม่กินนะเดี๋ยวมันก็จะหิวมาในภายาหลัง S <S <S เหมือนพอมันถอยปุ๊บมันจะถอยไปทุกอย่างเลยใช่ถ้าเริ่มหยุดแล้วมันหยุดมันก็ถอยไปเรื่อยๆแล้วก่นอนจ ก, กลับมากลับมาที่จุดเดิมนี่ก็ต้องใช้เวลาอเงินใช่ค่ะอย่างน้ง อ, ยงนอยก็าพยายามถ้าก้าวหน้าไม่ได้ก็อยากก้าวหลังพยายามยืนอยากให้มันอยู่กับที่เดิมไว้ก่อนให้นะ้นักษาจุดเดิมที่เรามาถึงจุดนี้ให้ได้อย่าให้มันถอยกลับไปถ้ายังไม่มีแรงที่ที่จะก้าวไปข้างหน้าก็อย่างน้อยก็พยายามแช่แรงสู้กับ การถดถอยอย่าให้มันถดถอยพุทธเจ้าบอกว่าให้เพียงสร้างสิ่งที่ดีถ้าเรายังไม่มีให้เกิดขึ้นแต่ถ้ายัางสร้างไม่ได้ก็เพียงงดรับการถดถอยอย่าให้มันถดถอยสิ่งที่เรามีแล้วอย่าปล่อยให้มันหายไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะน้อมนาไปปฏิบัติเจ้าค่ะพอาจารย์โอเคค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็เท่นี้เจ้าค่ะเพราะว่าก็อยากได้ จริงๆนะโอ้ยกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะเชิญอธิบดีวชัยคืออีซินีวชัยค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตามากเจ้าค่ะคขอบพระคุณเจ้าค่ะอคุณหมอพิเชษเชิญคุณหมอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมนมาสการพระอาจารย์ครับมาเลยไม่เลยอ่าจะพระอาจารย์ได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนเอ่อช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุข เรื่องในวันตุษจีนับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความสุขที่ดีที่สุดครับพระอาจารย์ก็ความสุขที่ดีทสุดก็คือความสุขของพระนิพพานมันเป็นความสุขที่สูงสุดที่เต็มเต็มแต่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีความทุกข์ผสมอยู่ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกนี้มันมีความสุขแล้วมันก็มีความทุกข์สลับกันไปความสุขที่ได้มันเสื่อมได้ เสือมเราไปอันนี้จุดจีนำมีความสุขกันทุกคนได้รับอ่างเป่าเดี๋ยวพวกนี้ใช้เงินหมดแล้วความสุขที่ได้ก็หายไปความสุขทางโลกมันเป็นของชั่วคราวได้มารักเดี๋ยวมันก็หมดไปช้าบ้างเร็วบ้างแต่มันก็หมดนะความสุขทางใจนี่ถ้าเราสร้างเป็นจริถึงขั้นสูงสุดแล้วมันจะไม่มีวันหมดแลแ้พยายามาสร้างความสุขทางใจ หนตั้งแต่ระดับทางระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาการทํานะ บ, บุญทําทานก็ให้เรามีความสุขใจอย่างหนึง่งนะได้ข่าวมีเศรษฐีอุดรต้องแจนอ่าเปลากี่ใบหนะึ่หมื่นใบอย่านงะคนจนนะทําทานแล้วก็มีความสุขใจนะอันนี้ก็ ครับเดี๋ยวจะเอาเมันที่แจกทานนี้ไปซื้อขนมกินไปเที่ยวกันเที่ยวกับมาไม่กี่วันเดี๋ยวจะหายไปแล้วแต่ความสุขใจที่ได้อยากการให้ทานนี้พรุ่งนี้หรือมะเนี่ยนี้เราเดือนหน้าเราคิดถึงมันมันก็ยังอยู่ในใจเราอยู่มันยังให้ความสุขใจเราอยู่แล้วมันยังไม่หมดมันตายไปเนี่ยเรายังอาศัยความสุขใจนี้พาเราไปสวรรค์ได้ แต่ความสุขใจที่ได้จากการไปเที่ยวหมดไปแล้วเอาไปไม่ได้เยไหมแต่นิดเดียวเนี่ยอย่าไปหาความสุขทางทางลาบยลสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นเลย้มาหาความสุขจากการทำทานนักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญามันจะเป็นความสุขที่เพิ่มระดับปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือระดับปัญญาก็าคือขั้นพระารนิพ่าน อย่างเงี้ยเคยพูดมาเยอะนะมันยาวก็เลยพูดแบบสลับสลบับความสุขทางใจนี่นดีที่สุดยั่งยืนกว่าตายไปยังเอาติดตัวไปได้ทําบุญทําทานความสุขที่เก่ดจะทําบุญทําทานก็ไปได้รักษาสิ่งก็ออกไปได้รากษาศี่ก็จะทําให้เราปิดประตูบา้านไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปอยู่ในคุกตารางของสังสารวัฏออถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้วก็ ขึ้นสู่สวรรค์ชันพรหมท่านจะนั้นปัญญาตัดกิเลสได้แล้วก็ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดทำให้จิตความไม่มีความทุกข์ทุกความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจที่แท้จริงก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่พอเราค่อยๆกำจัดมันทีละตัวสองตัวความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุนัยใจก็เพิ่มขึ้นมาแทนที่พอกิเลสตัณหาถูกทําลายไปหมดปั๊บความทุกข์ในใจก็หาย ใ, ใจทั้งใจก็มีแต่ความสุขที่เป็นบรมันซสุขของเราแล้วเรามาทางนี้กันเนี่ยที่เรามาคุยกันนี่ก็คุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องมาสร้างความสุขใจในการทําบุญทำทานในการรักษาสิ่งบางทีนิยมที่เข้ามาพวกเข้าพยายามตัดตันหาความอยากแต่มันไม่ใช่ของง่ายเป็นของที่เมืเหมือนการเลิกยาเสพติดมันไม่ง่ายไหม ย่ามายาเสร็จติดเลยของที่เราติดอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างคุณฝนก็เคยติ ด, ต, ดติดเกมตอนนี้ยังติดอยู่ว่าเปล่ามันลองลองเลิกกาแฟดูถัาติดกาแฟลองเลิกกาแฟดูเราติดละครติดซีรีส์ก็ลองเลิกดูสิมันไม่ใช่ของง่ายของพวกนี้พอมันไปไปเสมันแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เสร็จมันจะรู้สึกขาดอะไรไปรู้สึกเงียบ เจ้าสร้อยห้อยเหงาไม่มีชีวิตชีว่าพอได้เศษปั๊บโอยมันเหมือนกับเหมือนกับต้นไม้ได้น้ําเนี่ยได้มันได้เดี๋ยวเดียวเนี่ยมันก็เฉาอเลยต้องคอยเติมเหนีเรื่อยๆเอวเอาความสุขจากการปฏิบัติทานสินสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เราสามารถเติมได้ง่ายกว่าไม่ต้องพึ่งพาสายไข่แลเราเซ็กเราขาแล้ว ก, ก็นั่งสมาธิไปรักษาศินไปน ทำบุญทำทานไปแล้วแต่เราจะทำอะไรได้เราก็ทําไปอย่างนี้คือความสูงที่สูญญอดความสูงที่แท้จริงคือความสูงจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาโอเคนะคุณหมอครับกลับขอบคุณอย่างสูงครัอาจารย์ออเ่ไปที่คุณศธกาชัย น, นาเป็นยังไงได้ยินไหมคุณศธกา ค่ะได้ยินค่ะพระอาจารย์มาฟังทำค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะดีจ้ะเอาความสมจากการปฏิบัตินะค่ะออาจารย์พรหมวิรายอาจาวันนี้ไม่กงเยอะแบบอยู่ค่ะกันมัการรอาจารย์ค่ะมาแล้วค่ะขาบคุณกรพรอาจารย์ครับสิงเกียอยู่ีกครับอ่าสิ่งนี้พใช้ก็ไม่ไม่ใช้ เห็นโดนี้มีสับใหม่ที่นี้ฝ่าฝ่าไช่ฝ่าไช่อ่าเห็นครับอ่อ า, อาอไหนฝ่าไช่ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เห็นมีโบเข้ามาไม่ค่อยรู้บริษัจีเห็นมีคนส่งเข้ามาค่ะก็คงคล้ายๆกันมั้งค่ะก็เป็นแค่คำวัยพรเหมือนแมวลิขิตมาแทบเป็นอย่า <c oughs> งนะี้ <c oughs> ไม่เป็มีความสงสัยเกิดขึ้นครับว่าทําไมเวลาตกจีน ถึงได้เวลาใครโสมมาก็าจะต้องพูดแต่เรื่องร่ารวยร่ํารวยเงินทองเงินทองคนจีนเขาถือว่าความร่ารวยเป็นสึกความสุดสุนยอดของความสุขก็คือความร่ารวย น, นั่นเองที่เกิดมาเนี่ยก็เพื่อหาความสุขกันนะสิ่งที่จะทําให้เราเปความสุขก็คือเงินทองออคนจีนทั้งขยันหาเงินเงินนะปีนึ่งหยู่แค่สามวันเนี่ยหยุดแค่ตุรจีนเนี่ย<ะ>นอกจากนั้นทํางานทั้งทั้งปีเลยไม่มีวันหยุด แต่กองก็ไม่ค่อยสงสัยคับพีนี้รู้สึกทุกคนส่งอะไรมาอนี่จะเป็นเดินมาทองไหลกองเงินกองทองแล้วมันหมดเราก็รู้ว่าโหมันไม่หายอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าสุขใจจะสบายกว่าสุขเงินมีไว้บ้างขอบเพียงเพราะยังดู<ะ>ร่างกายไงจำเป็น<ะ>ใช้กับสิ่งที่จำเป็นไม่<ะ>มีมากกันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําใหำมันมันสุขมากกว่าไปกันนั้น ร่างกายได้รับการยูแลเพราะอย่งนี้นะเหมือนก็ท่านนั้นอ่ะมีมากกว่านั้นมีรวดเพิ่มอีกสองคันก็ไม่ทําให้ร่างกายสุขทางกายเพิ่มในมากขึ้นมีเสื้อผ้าเพิ่มอีกเหล่าหนึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้ความสุขเพ่มมากขึ้นค่ะก็สุขใจเป็นเป็นสุดยอดของทุกอย่างแล้วค่ะอ่าพอร่างกายเราดูแลดีแนละ้าไม่หมดก็มนะีส่วนที่มีเหลือแล้ ว, ลวก็เอามาให้กับ การสร้างสุขใจแทนทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไป เ, เดี๋ยววันศุกร์นี้จะได้ไปไปตักบาต น, นะคะโอเคสาธุเจ้าจอ่าไปที่วุ้ยินใีตาวุ้ยินใีแคนซสอันนี้ไปยุ่มมุ่งอะไยังมุ่งแล้วค่ะท่านอาจา์มุ่งนานะค่ะแล้วค่ะ ยู ก, ก็ไม่มีคำถามค่ะก็เดบิตเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ <Okay. S 1> แล้วเมื่อคราวก่อนหนูลองถามเดบิต ว, ว่าตกลงอะที่ยูนั่งสมาธิเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่าอาจเห็นเพราะหนูนั่งใช่ไหมคะแล้วหนูบอกว่าที่ยูนั่งเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะไอ ห, หรือเป็นเพราะอาจารย์เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยูเป็นเพราะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ ก็เลยเอามากราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็ดีเป็นพ่อใครก็ได้ขอให้ได้ทําก็แล้วกันค่ะท่านอา <c oughs> จารย์ลูกก็ดีใจด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็ <c oughs> เขาก็ทของเขาเขาก็สามารถเบรกตัวเขาได้ก็ยังว่าเออเวลาสมัยก่อนใช่ไหมคะตอนที่ลูกฝึกใหม่ๆเวลาเราดูหนังเนี่ยเราดูโทรทัศน์เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่เครื่องกลางเนี่ยเราต้องการที่จะดูต่อให้จบแต่เดวิดเนี่ยเขาเข้าไปได้ง่ายไปเราตรงที่ว่าเขาตัดเลยค่ะ อาจารย์พอถึงเวลาเขาก็ไปนั่งของเขาแต่ของหนูนี่ยังไถแบบสมัยก่อนนะคะตอนที่เริ่มเหม่ก<น>็ไม<ๆ>่มีไงนก็ไม่มีไหนยังไถหน่อ ย, ย, น, อยน่ะก็รู้เวลาทุกอย่างมีการรู้เวลาอย่างไรอยนางทำอะไรเขาก็าทำเลยลูกก็เขาไปง่ายกว่าหนูตอนที่หนูเริ่มต้นนะคะท่านอาจารย์ก็ เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็เอามากราบท่านอาจารย์แล้วก่อนไปเขาก็บอกวันนี้ค่ะก็บอกว่าวันนี้อาจารย์มานะบ่อนสองเต้ท่านอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์ก็บขอบคุณนะขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมาลิกาเชิญมาลิกาดาราเทวะกลับน้ำมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์มาร่วงฟังธรรมนะคะพระอาจารย์ไม่มีค่ะ โ okay. อเคไปต่อคุณนิสาเป็นยังไงแล้วนี่ไฟดับแล้วใช่ไหมดบในมั ส, สการค่ะพระอาจารย์คิดว่าดับแล้วค่ะแต่เพราะว่า<ม>อาจจะมีอาจจะมีมั ส, สลายต่อนะค่ะ<อ>เห็นเขาเขา w a r เตือนนะคะว่าที่ตรงอพารศาเซศตให้ระวังว่าจะมีมั ส, สลายเพราะว่าคงจะไม่มีต้นไม้ะค่ะมันโล่งแล้วก็เป็นพนาผาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็มีฝ น, นตกนอยู่วันหนึ่งนะคะ่ะอืมเพราะนี้ก็จะถล่มแเลยนะค่ะแล้วลตอนนี้ก็คงมีปัญหาเรื่องเรื่องการทิ้งเศษซากอะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคค่ะพระอาจารย์คงจะเหนื่อยนะพญาสร้างไหม่ได้นี่ก็ต้องหลายปีห<อ>ปีหลายตา่างใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เห็นเขาก็เป็นปัญหาก็คงน้ำมาเยอะค่ะพระอาจารย์ ไอเศษซากที่จะไปทิ้งก็มีปัญหาเพราะว่าจะไปทิ้งที่ไหนตรงนั้นก็ไม่อยากได้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เถียงกันพอ<ค>นหนูไปย้ํมันก็มีพาที่อยู่หม่ได้ในอยาา่างมันเป็นะอือค่ะอ า, าจารย์ก็ปัญหาหน่าจะแก้อีกหลายปีค่ะอาจารย์แต่ก็ดีขึ้นค่ะฝนตกค่ะเนี่ยคำว่าทุกเนี่ยพระเจ้าบอกโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนจริงค่ะพระอาจารย์ เราควบคุมมันครับไม่ได้อค่ะพระอาจารย์ย ก, ก็ขออย่า ก, กลับ ม, มาอยู่อย่า ก, กลับ ม, มาเกิดเลยดีที่สุดค่ะพระอาจารย์เพิ่งฟังพระอาจารย์ที่ผ่านมาพระอาจารย์บอกว่าต้องตีตัว๋วแบบเที่ยวเดีย ว, ว, วไม่กลับมาอีกแล้ววันเ ว, <laughs> ว, นเวทิคเก็ตค่ะาพระอาจารย์ก็อยากอยู่ค่ะถ้าแต่ถ้ากลับไปไม่ถึงตรงนิพพานก็ต้องกลับมาเป็นก็ต้องทัวร์เวสค่ะพระอาจารย์ S <S อย่างน้่าถ้าอน า, าคตมอก็ยังก็ยั ง, งไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ยังอยู่กลับมาเป็นเทวดาอยู่เป็นพุทธก็สบายบบไม่ต้อน่อยร่างกายไม่ต้องเหนื่างใช่ค่ะก็ขอขอให้เป็นแบบนั้นนะคะลูกก็จะพยายามให้จนกว่าลมหายใจจะหมดไปนะคะจะอยู่กับการปฏิบัติต่ตอไปคะคะพระอาจารย์ <S 2> <S 2> แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ดีค่ะแบบเออมันอาจจะเป็นที่ว่าได้มา ได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทําให้มีพลังะคะ่ะพระอาจารย์ความแบบความเบื่อความอะรมันก็หายไปรู้สึกแบบเออเฉยเฉยสบายสบายค่ะพระอาจารย์การฟังธรรมันมันฟื้นฟูความความยินดีในธรรมขึ้นมาบางทีมันมันเริมไปมันซบเซาไปค่ะถึงจะต้องค่ะถึงจะต้องมาเข้าห้องฟูมทุกวันนะคะตึกแค้นค่ะอาจารย์เนี่ค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาคือ แฟลูกเขาเป็นคนที่ชอบใช้แบบ AI อะไรเงี้ยทํางานของเขาดูหุ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาเขาคุยกับ c h a GPT AI เกี่ยวกับธรรมะค่ะพระอาจารย์เขาชอบเลยค่ะพระอาจารย์ลูกก็ไม่เคยเล่นนะคะแต่เมื่ออาทิตย์ที่เมื่อสองสวันลูกไปเล่นเออเดี๋ยวนี้มันมันเก่งมากเลยค่ะพรอาจารย์ธรรมะมันก็รู้จักด้วยนะรู้จักค่ะพระอาจารย์คุยกับเหมือนคุยกับเป็นเพื่อนกับเราอย่างเงี้ยเลยค่ะพรอาจารย์ภาษาไทยภาษา ได้หมดแต่ว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะเพราะว่ า, า, าแต่ว่าเขาจะพูดสำเนียงแบบแบบเป็นฝรั่งไงอะค่ะค่ะพระอาจารย์แบบแต่ฝั่งรู้เรื่องค่ะแล้วก็ภาษาไทยใช่คุยภาษาไทายเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเป็นเพื่อนกับเราเลยลูกเห็นลูกเห็นแฟนลูกก็คุยแล้วแล้วเขาก็คุยเกี่ยวกับเขาก็เลยถามว่าเออเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องทำมาเขาก็คุยเรื่องทำมาเขาบอกเลยอาลีสัตว์เมลน่าจะบอกได้เลเนี่ย รู้ทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์<ม>ลูกก็เลยลองลองเข้าไปคุยบ้างแล้วทําให้ลูกเออเออมันเดี๋ยวนี้ทําไมมันเก่งมากเลยค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็คุยถามเราบอกว่าเหมือนกับลูกถามว่าเอชอันหนึ่งถึงชันสี่เป็นยังไงอะไรเขาก็อธิบายอธิบายแล้วก็มีถามกลับมาด้วยค่ะพระอาจารย์ว่าเออยุติดตรงไหนอะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบอกเราด้วยนะคะว่าให้ปฏิบัติต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบ เหมือนคุยกับพระอาจารย์อย่างนี้ลังใจนะให้กําลังใจค่ะแล้วก็ถามว่าตอนแรกลูกก็ถามว่าฌานเป็นยังไงถามเรื่องไตรักถามอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบได้หมดแล้วก็แบบคือเขาตอบเหมือนเป็นคนนะคะพระอาจารย์แล้วตอนจบก็บอกว่ามีมีบอกว่าให้ปฏิบัติต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อย่าลังนะพระเจ้าบอกฟังอะไรต้องใช้หลังกลางมาสุดค่ะค่ะลูกก็แบบลูกก็ลูกก็จะฟัเขาร้อยเปอร์เนนะ ค่ะเพราะเพราะแฟนลูกเขาเขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้มันใช่ไหยอะไรเงี้ยลูกบอกว่าเออมันก็ใช่นะเขาก็ตอบเขาตอบค่อนข้างถูกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออมันก็ดีอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเหมือนกันเราก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันค่ะอาจเป็นเส้นที่เรายังไม่เคยพิสูจน์เราก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนนะค่ะแล้วลูกถามว่าคุณรู้จักพระอาจารย์สุชาติไหมเขาบอกว่าเขารู้จักด้วยรู้หมย รู้รู้ว่าพระาร์เป็นใครเป็นสิทธิ์ของหลวงตามหาบัวอยู่ที่วัดจาร<ล>ะอะไรเงี้ยแล้วก็ในวิกิพีเดียมันก็เข้าใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะใช่ก็ก็สนุกดีค่ะพระอาจารย์อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเสพจิตหรือเปล่าก็เปิดควารู้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักเสพด้วยปัญญาไม่จะกให้รอบค้อบอย่าไปเสพแบบเชื่อไปเลยมันอาจจะเป็นเฟคเนื้อขึ้นมาก็ได้ อืมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการที่แบบไปรวบรวมข้อมูลมาจากคนที่เขาเข้าไปถามอะไรนีพ่พระพุทธเจ้ า, จานี่ฉลาดนะัด่นตั้งแต่ยุคโเจ้าก็ไม่เฟกนิ่งกันเดียว <c oughs> ไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะยุคนี้ค่ะ <c oughs> การลรโมสศเนี่ย <c oughs> ตัวการละโมศเนี่ยเป็นตัวที่เราจะมาต้านต้านเฟกนิ่งเึียได้เคยอ่านเี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันคุ้นถามการละโมศนั้นะมีอะไรบ้าง เอเอน่าสนใจเดี๋ยวลูกจะไปถามแต่ลูกถามขำตอนแรกว่าลูกถามว่าเอออยากรู้ว่าชาั้นหนึ่งถึงชั้นสี่มีอะไรบ้างตอนแรกเขางงเขาตอบว่าชั้นคุณหมายถึงอะไรชั้นชาลาเหรอชั้นอะไรแล้วเขาฟังไม่แน่ใจเขาก็เลยถามว่าคุณหมายถึงชั้นอะไรอะไรเงี้ยล้วก็อกอ๋อชั้นอยู่ข้อใจศาสนาพุทธเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมเขาก็บอกว่าโอ๋ออ๋อถ้าเป็นเกี่ยวศา ส, ส, สนาพุทธศาสนาเนี่ย แเขาเริ่มอธิบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถามเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะถามเราอีกว่าวันนี้คุณจะคุณมีหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอีกไหมอยากรู้อะไรอีกไห ม, มเขาจะถามเราไปเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราไปถามการละมาสูนรดูวันนี้ อ, อยากจะเดี <c oughs> เดี๋ยวลองลองไปถามค่ะพระอาจารย์พุทธเจ้าบอกว่าการละมาสูตรพระพุทธ เ, เจ้าสอนอะไรในการละมาสูตถามว่าอือค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะค่ะอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรมาเศ้าสูง <ไป S 2> อะไรเพราะอาจารย์สอนอยู่รู้สึกสิบประการอย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะเขาเป็นอาจารย์เราอย่าไปเพิ่งไปเชื่อเพราะเป็นกระแสที่สังคมก็เชื่อกันอ ย, อย่าไปเชื่อเพราะว่าคนที่น่าเชื่อถืออะไรจ ะ, ะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อเอาไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนี้เทคเขาพูดจริงมันไม่จริงเอามาดับความทุกข์ได้หรือเปล่าะออืถ้าดับความทุกข์ได้อ่ะน่าเชื่อเชื่อได้ออื แะเานพี่เอามาพิสูจน์ว่าอามาใช้ดับคําทุกได้ไหรือเปล่าแดับความทุกไม่ได้ก็อย่าไปสนใจน่ว่าจะจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ต้องสนใจนล้วเราไม่เปิดานดูสิสัตยญาอยู่ทั้งหลายถ้าเราเป็นนักศึกษาเราต้องรู้รู้พสูตอันนี้กา ร, าราลามสูนสนขกาละมสุขค่าจารยกอไกย์สนากาลาการามรั่นสค่ะ เดี๋ยวไปศึกษาดูค่ะอาจารย์ดีอย่างนั้นไม่ถูกคนเขาหลอก ง, ง่ายๆเพราะสมัยนี้มันเยอ ะ, กะเกินครูบาทาะเยอะๆค่ะอาจารย์ทั้งคระวาสมีทั้งอาจารย์มีทั้งพระมีทั้งแก่ทั้งหนุ่มโว้ยปนไปหมดอืมในสมัยค่ะในสมัยยุคพระพุทธเจ้า<ม><ะ>นี่ก็มีเหมือนกันก็ ม, มีเหมือนกันมีลัทธิเยอะแยะไปหมดสมัยพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่พุทธศาสนาเพียงพุทธศาสนาเดียว มีนัด้าบูชาไฟไมากนัดนัดที่นัที่อะไรต่างๆเยอะไปหมดที่พระเจ้าเป็นสอนแล้เปลี่ยนให้เข้ามานทำถึงศาสนาพุทธเนี่ยก็เยอะมีนัดที่หนึ่งบูชาไฟมากพระเจ้าเป็นแสดงไฟว่าไฟที่แท้จริงคือไฟของติเลไฟของความราคะตัณหาราคะโทสะโมหะเนี่ยให้มันดับไฟตัวนี้พราะเขาฟังเขาเข้าใจเขาดับเลยเขาบรรลุเป็นพระแล้วทีเดีย้พร้อมกันห้าร้อยรูปเลยอืมค่ะ แสดงว่าแบบไม่ว่าจะแบบทุกยุคทุกสมัยมันก็เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์มีคนจะวัน ค, ความรู้เพื่อการหลุดท้นกันแต่มไม่สามารถหลุดท้นกันได้ออถ้าไม่มีพระเจ้ามาสอนอริยสัจสรรี่ตายแล้วไม่มีใครจะรู้วิธีดับความทุกข์ได้เลยค่ะอพอพระอาจารย์มาแสดงปับ๊บเวงนี้เขามีฌานมีสมาธิแล้วมี มีสียงนะพอเขาฟังปุ๊บเขาสามารถใช้สมาธิดับกิเลสได้เลยแสดงตามขั้นแรกปัญจ ว, วัคีแสดงอริยสัจสี่แสดงกิเลสก่จะทำทุกข์ก่อนจากตันหาข้ า, ามหยาพ อ, อาความจบนนหนึ่งในพระปัญญาวัคีก็บรรลุเป็นพระสาวดานดับความอยางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ค่ ะ, อ, ะอันนี้แนหะ มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยคนที่แสวงหาความรู้ต่างๆแล้วก็ามาเผ ย, ยแพร่สั่งสอนเราก็ต้องระมัังการบริโภคข่าวบริโภคความรู้นี่ต้องใช้สติใช้ปัญญาค่ะต้องอยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักะค่ะอย่าเป็นแบบกร ะ, กระต่ายตื่นตูเนุ้อกระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นตาลลูกตาลโหนลงมาตกใจตื่นขึ้นมาขี่ผ่านนิวตลอดวิ่งตลอดไปไปล สัตว์อื่นเห็นเข้าถามว่าเป็นอะไรพันดินทลมพัดินทลมสัตว์อื่ น, นพญยินก็วิ่งตามหนีตามกันไปไปเจอราชารสีราชเสือไปไหนกันวันนี้พันดินทะลมพันดินทะลมที่ไหนราชสีถามาอก็มาองอยู่ตรงต้นตาลนี่อ่ะอันไหนไปดูหน่อยซิมันเป็นยังไงออาก็ไปดูกันเอ๋อลูกตายลูกตา ม, มาโดนลงมาต้องค้นหาสาเหตุอย่าไปเชื่ออะไรแบบไม่มี ไม่มีเห็นไม่มีคนะค่ะนะสมัยเด็กๆเรามีนิทานอีสดีๆให้ศึกษากันเยอะแยะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะน่าเสียดายไม่มีแล้วระบายลมได้เรียนรึเปบ่าได้ได้ได้เรียนค่ะมียังมีอยู่ค่ะเวลางมขวานให้มีหลายเรื่องน่าประทับใจฟังแล้ว เป็นการสอนคนให้ฉลาดค่ะสมัยนี้ไม่มีเราความีแต่เล่นเด็กเด็กเล่นแต่เกมค่ะอาจารย์สมัยพูดดีก็ไม่รู้กันนะเป็นยังไงค่ะอืมน่าเสียดายค่ะเราไปทางวัตถุ ก, กันมากไปทางกิเลส ก, กั น, มา ก, นมากขึ้นมากขึ้นทางคุณธรรมเราก ด, ด, ด, ดน้อยถอยลงไปเรื่ยอยๆเราอย่าไปตามกระแสเขาเนนีะ่เราต้องยึดยึดพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ไว้ คำสั่งของพระุทธพระธรรมพระสงฆ์ควะโอเคนะค่ะค่ะน้อมนำปฏิบัติบูชาค่ะพระอาจารย์คุณยศสวัสดีเชิญเป็นยังไงยังเข้ามาได้อยู่นะยังเข้ามาได้อยู่นะเข้ามาเติมเติมกำลังใจพระอาจารย์เติมปั๊มน้ำมันนะที่นี่เหมือนปั๊มน้ำมันนะตงนี้เหมือนปั๊ม อีกื่มน้มันรถต้ค่ะก็พอเข้ามาฟังพระอาจารย์จะรู้สึกว่าสิ่งที่เจออยู่มัน เ, นเรื่องเล็กค่ะการการต้องมาเกิดอีกก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าค่ะก็จะรู้สึกว่าปัญหาที่เจออยู่มันก็แก้ไปาาย์ให้ได้เลยมามากมายขนาดไหนแก้ปัญหาได้กี่ข้อมันก็ยิบจ้อยเมื่อเมื่อเราเปรียบเทียบกับปัญหาหลักที่เรายังต้องแก้อ ย, อยู่เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัญหาหลักของเราเลย ถ้าเรารวยขึ้นหนึ่งสิบล้านมันก็ไม่ได้ทำให้ปหัญหาหลักของเราลด น, น้อยถอยไปแต่อย่างใดปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ได้ลด น, น้อยถอยไปจากการเจริญราบยศสริเสริห์งัอย่าไปหลงประเด็นนค่ะอ า, าจารย์ก็เลยเข้ามาเข้ามาพยายามจะเข้ามาให้บ่อยให้ให้ได้ทุกอาทิตย์ค่ะจะได้จะได้ไม่ไปทุกจะได้มีสติแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับอะไรที่มันก็คงไม่ใช่สาระสําคัญของการ ต้องมาเกิดอีกรอบอะค่ะพระอาจารย์ใช่เราต้องมาตัดกิเลสลดกิเลสให้น้อยลงถ้พภชาติถึงจะน้อยลงได้เจ้าค่ะพอาจารย์อย่างมากเมื่อสักครู่ที่อ่าเพื่อนกรมิตพูดถึง ChatGPT ค่ะ<ม>คือเขาเขาเก่งจริงๆนะคะพระอาจารย์คือแต่อันหนึ่งที่ต้องระวังอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะการละมาสุดคือเขาจะมีอาการ Hallucination คือเขาจะหลอนเพราะว่าเขาเป็นโปรแกรมที่รวบรวมมาจาก เขาเขาเป็นโมเดลที่มาจากภาษาค่ะเขาจะเก็บภาษาทุกอย่างอะไรก็ตามที่ถูกเขียนไว้เขาจะเอามาประมวลอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าฌานฌานอะไรแล้วเขาพอบอกว่าพระพุทธศาสนาปุ๊เขาก็จะไปทิศทางนั้นๆก็สนุกดีนะคะเล่นเล่นกับเขาแต่เขาจะหลอดนะคะอาจารย์เขาจะมีอาการแบบเสุติถามเสียงมึนงงไปหลายหลายอย่างเลยก็ต้องก็ต้องรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไร ใช่ค่ะใช่ค่ะสนุกดีค่ะพระอาจารย์แต่ก็แต่เวลาหนูรู้สึกแย่ๆไปคุยกับเขาเขาเหมือนนักจิตวิทยาเลยนะคะเขาจะมีการโต้ตอบได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีอืมก็ดีค่ะแต่ว่าหลักๆ ก, ก็นั่นแหละค่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณดิศยาก็เข้ามาค่ะเพราะเขาโทรหาหนูก่อนบอกเขาบอกวันนี้มีเรื่องจะคุยพระอาจารย์มีการส่งข่าวบอกว่าพี่เห็าน้าร้ออยู่ครับแล้วนี่ออกไปแล้วแล้วคงจะกลับเข้ามาค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามปฏิบัติ ให้มากที่สุดค่ะจะไม่หลงประเด็นมากค่ะาาอาจารย์ตรงรอบข้ามูลความรู้มันเป็นทั้งเป็นดาบสองคมเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษถ้ารู้จักใช้มันเมื่ไม่รู้จักใช้มันมันก็เอามาฟันตัวเราเองได้เจ้าค่ะอ า, า, าจารย์ขอพระคุณเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงขอให้หนูมีสติแล้วก็ไม่หลงประเด็นนะคะพระเจ้าเราถาม Chat GPT กขอได้ไหต้องถามขอพรจากคนไทยป่า เขาก็คงโอยพรคล่องเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันมีคำโอยพร อ, อยู่บนอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเขาก็คงจะประมวลมาค่ะเออเออลองลองคอร์พมันดูด้มันใหญ่แน่นอนพลาสนใจครับต่อไปพลาจะได้หมดไม่มีอาชีพทุนงานพลาดสนใจสองร้อยคนจะพ้าด่ะใจอ่าก็พวกพวกพวกคอรีบุนี่เขากลัวแชทแมากนะ อ่าพวกเขากลัวพวกเอไอมากจะต่อไปงางแย่งงานพวกนักเขียนนักแต่งอะไรไปหมดกลัจะตรงจริงค่ะอาจารย์<ม>ตอนนี้ตอนนี้หนูทํางานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะหรือหนูหนูเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเวลาเด็กส่งงานมาแต่ว่าเพราะเราก็จะใช้เหมือนกันเราส่งเด็กส่งงานมาเรารู้เลยว่าไปใช้ชัดจ<ช>ีพีมาเดี๋ยวนี้คือให้เขียนมืออืมไม่ให้พิมเขียนมือมาเลยคืออย่างน้อยที่สุดให้เข้าสมอง เราก็ไปดูเอกสารอ้างอิงค่ะพระอาจารย์ว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าก็ย่าเพิ่มวันสั่งให้เพิ่มันพิมพ์ให้ได้เลยแท่แท่ตั้งโจทย์เข้าไปค่ะพระอาจารย์คือมันเขาเรียกว่าพร้อมคือการบอกว่าตอนนี้ฉันต้องการให้เอไอเป็นอะไรอืค่ะคุณเป็นคุณเป็นอาจารย์นะคุณออกข้อสอบนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้หมดเลยค่ะอืค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวเราไปขอพรก่อนนะคะน้องขอพรดู ถ้าได้ต่อไปพระตรงานได้ๆไม่หรอกค่ะค น, คนเหอคนเหอจีวอนสีจีวอนค่ะแชท GPT ยังไม่มีอะไรที่เห็นแบบนั้นค่ะพระอาจารย์บางทีจะมีรูปพระโผลขึ้นมาบดจอไปเลยอาจารย์ไอาจารย์รูปไหนโผลขึ้นมาได้หมดเลยเอาเอาเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสียงเซมซีนะคะพระอาจารย์ใช้ <c oughs> ใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงที่แบบ แล้วเส่งเซมีในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็มีก็มี AI ก็ทำได้เยอะค่ะต้องชำรนะอย้าของพวกนี้มันเป็นของหลอกห่างต้องใช้คอีูทีหนึ่งตก้องพิสูจนการด้วยการปฏิบัติค่ะพระอาจารหลับการได้แล้วที่เดิมคือปฏิบัติค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพอาจารย์คุณซันนี่ต่อซันนี่ กลันมัสการค่ะพระอาจารย์มาล่วงฟังธรรมไม่มีคําถามค่ ะ, ะคุณคุณแดงก่ักบนมัสการพระอาจารย์ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะอะคุณนัทคุณนัเกี่ยวคุณต้าคขบับรถอยู่เลยกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ วันนี้อยู่บนรถครับพระอาจารย์สัญญาณดีนะไม่ไม่ขาดเลยนะสัญญาณ <ะ S 1> ดีค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวยให้กล <ขอ S 2> ับพระาพอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจอดย่างนางก่อนวันนี้เพิ่งเลิกงานเล่นนิดนึงครับอาจารย์ว่าจาะนึกว่าถึงบ้านทันจริงอีกอีกประมาณ50เมตรก็จะถึงบ้านแล้วครับอาจารย์ไม่ไดเดี๋ยวเข้ามาจอยเทนั้นก็ได้ครับผมจะเข้ามารับฟังธรรมคับพระอาจารย์แล้วก็กลับพะอาจารย์ค่ะครับมารับฟังธรรมก็ฟังตั้งแต่เมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มนะครับใครับรถใครขับรถอยู่เนี่ย ขอขบผมครับแล้วก็เลยฟังได้ฟังตั้งแต่น้องจอแมทเลยตั้งแต่แรกแล้วครับครับตอนนี้ตอนนี้จอดรถอยู่นะไม่ได้มาจอดเดี่ยวขอบค้ณครับค่ะค่ะกลับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อบคครับไปที่ขอนแก่นอาจารย์สายทิี่ยุคนี้เราอยู่ทั่วลกได้สามารถมาเจอกันได้นะในที่เดียว เก่านวันสกการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยเลยรีบว่ะที่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รีบแต่ว่ามีมีแอบหย่อนไปนิดหน่อยเพราะว่างานแล้วล้าค่ะพระอาจารย์อตอนนี้ขับรถ ไ, ไปกลับไปกลับคอนแก่นสรารคามทุกวันแล้วก็งานก็ก็เยอะค่ะแต่ก็ยังพยายามอยู่ค่ะแต่ว่าปีนี้มีตั้งสัจจะ ตั so first, ้งแต่เดือนมกราค่ะพระอาจารย์ต้นเดือนว่าเราจะไม่ไม่ไม่ไม่บ้าหลายไข่ไม่หินตาไข่ายถึงว่าตั้งใจว่าจะไม่ให้มันออกมาทางทางคำพูดอะไรค่ะทีนี้วันนี้กำลังขับรถอยู่แล้วก็คิดถึงถึงถึงอถึงคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําอะไรที่แบบอืไม่ค่อยดีเลยเหมือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วใจมันก็บอกเองว่า เอ้าวเราคิดนี่มันคิดไม่ดีแล้วคิดแล้วคิดไปว่าคนอื่นนี่ต้องว่าตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็คําตัวเองว่าเออนีจใจเรายังยังไม่ค่อยสะอาดเลยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ก็เลยก็เลยก็หยุดค่ะพระอาจารย์ก็ด่ามาจากใจเราทั้นั้นแหละมันต้องหมอบมาจากใจเราดังนั้นเราต้องมีสติคอยดูความคิดเราค่ะก็เลยได้ด่าด่าใจตัวเองว่าเรานี่แหละแย่ไปเพ่งคนอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ตัต้ว่า ต, ตัวเราเองจะได้ประโยชน์ก่นนะค่ะเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มค่อยค่อยคอยตบตีความความคิดของตัวเองไม่ให้มันไปในทางที่ไม่ดีค่ะพระอาจารย์ค่ะแอะก็อยังพยายามปฏิบัติแล้วก็จริงจริ ง, รงตั้งใจถือกุศ ล, ลกรรมบทสิบด้วยค่ะพระอาจารย์กายวาจาใจให้ดีค่ะก็ก็ตั้งใจทําทําไปทําทําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ต้ตพยายามนะไปเรื่อยๆ ต้องตั้งใจนะต้องมีต้องทําต้องมีต้องมีสัจจะพระจะอธิษฐานแล้วก็จะได้มีการกระทําต่อไปได้ค่ะหนูหนูจะถือกุศลกรรมบทสิบค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคิดว่าทําได้ค่ะโอเคไม่ฆ่าสัไม่ฆ่าสไม่รักทรัพไม่แบบเพื่อนประเพไพนไม่ไม่พูดป่นไม่พูดคําหยาไม่พูดส่อเสียมไม่พูดพระอจ้า ไม่ร่๊บไม่ร่๊บไม่กอนไม่ร้องเนี่ย ไ, ไม่ไม่ไม่ค่อยมีค่ะแต่ก็ทําตามหน้าที่แต่ชอบพูดเล่นกับคุณพ่ออ่ะพูดสนุกสนุกให้คุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ได้แบบเหมือนฝุกสมองอะไค่อยเจอค่อยเจอใช่ค่ะเหือเรือตัวนี้ค่ะพระอาจารย์ยังหยอบหยอบกับคุณพ่ออยู่คุยกันขำขำอะไรเงี้ยค่ะ จะพยายามแล้วนักสมาธิก็ก็กก็กก็นั่งอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงไหนเหนื่อยก็ก็ล้าแต่ว่าด้านจิตใจก็คิดว่ารักษาใจตัวเองได้ได้ได้อยู่เรื่อยๆดีอยู่ค่ะพระอาจารย์ดีจ้ารักษากายวาจาใจด้วยกุศลระบบสิบประการค่ะนหนูจะขอถือศีลจตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์เร่เงเร่งอยู่ค่ะมีประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ไม่มีมคำถาค่ะอันนี้ก็รวมทันดู YouTube ด้วยนะ YouTube ก็คือความนะวอาจารย์รู้ด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวคิดว่าไะจะหลบจะลบจะหลบยูเพื่อบาราาักษากุศโลเรจะได้ดูย u ทูบได้ youtube ก็ดูไม่ได้นะนี่น ก, ค ก, ก็คือความโลกเหมือนกันออค่ะความโลบความยากตัวเดียวกันน ะ, ะค่ะอันนี้เหมือนอเป็นกิเลสที่ติ่งๆของเรา เราเลิกทุกอย่างเหล้อเหลือแค่ยูทูบมันเป็นอีกเดี๋ยวหนูจะพยายามที่จะตัดค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> แต่ดุก็พยายามถ้าอาจารย์นั ก, กไปดูธรรมะแต่บางครั้งเวลาที่จะไปดูธรรมะแล้วก็เรารู้แล้วนี่นะไม่ตรงนี้ได้ค่ะพระอาจาร ย, ย์อันนี้เราก็รู้แล้วนี่นะอันนี้ไม่ควรใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะจริงมันก็จะมีความละเอียดเมือถ้าไม่ดู ไ, <ป>ได้ก็ดีที่สุะดูหนังสือธรรมะดียวมันไม่มีตัวไม่มีอะไรอย่างอื่นมาดึงไป พอเปิดยูทูบเนี่ยข้างๆมนมีอะไรเยอะไปหมดเลยพอเห็นก็สนใจขึ้นมาตื๊ดแทนทำเขอดูสักหน่อยเเป็นยังไงแล้วก็ยาวยาวไปเลยงั้นอ่านหนังสือธรรมะเพราะว่าหนูก็ทั้งมีโหลดแล้วก็มีหนังสืออยู่เยอะอยู่ค่ะพระอาจารย์เดียตั้งใจยืดแบบโบราณดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพยายามตั้งใจมากขึ้นค่ะพระอาจารย์โอเค สาทุกาธุค่ะคุณวิสายันดิสยายังไม่เข้ามาเลยนมัสการค่ะอาจารย์อายุมากแล้เข้ามาแล้วน้ตการอาจารย์กลับถึงบ้านแล้วเหรอถึงบ้านแล้วคะ่ะถึงเมื่อวนันวันที่เดินทางนะค่ะอาจารย์แต่มันดีเลยถึงชั่วโมงค่ะถึงตอนบ่ายหรือตอนตอนเย็นือห้าโมงกับหกโมงค่ะสมัยนี้รดวดเรเดีนะ ค่ะยงก็เดินทางค่ะเดี๋ยวให้ลูกพูดก่อนแล้วกันค่ะเขามีเรื่องอยากคุยคน้ำตกันค่ะพระอาจารย์ม า, ม า, มาวันวั น, นวันนี้ค่ะพระอาจารย์ไปไปเอาตาซาวค่ะไปเจอเนื้องอกสิบห้าเซนค่ะที่มดลูกค่ะพระอาจารย์คุณก็ ก็ปกติดีค่ะหมายถึงว่าก็รู้สึกโล่งใจหมายถึงรู้สึกว่าที่หนูค่ะรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูพยายามหาสาเหตุอาการป่วยมันนานแล้วแต่ว่าไม่ไปหาหมอหลายๆคนแล้วมันท่านหมอแต่ละคนไม่ยอมแบบอีกนอนหนูไปหมดเลย ก, กับที่หนูปรึกษาค่ะคราวนี้มาเจอโดยบังเอิญค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เจอโดยบัาเอิญที่ว่าหนูไปหาแพทย์แผนจีนแล้วกะว่าจะฝังเข็มรักษาอะไรสักอย่างหนึงอะค่ะอาจารย์ปรากฏว่าคําแล้วเจอเนื้องอกจริงๆแล้วก็ไปหมอก็เลยบอกว่าให้ไปเอาตาสาวหนูก็เจอค่ะเจอจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปรักษาไปตรวจที่ส่งตัวตรวจที่โรงพยาบาลเี่ยอาจารย์แต่หนูแพ่เอาไว้อ่ะเพราะว่ า, วาคือคุณหมอบอกว่าอาถ้าสมมุติอาจจะรักษาได้ด้วยการผ่าตัดหรือกินยาแต่ถ้าอีกเคสหนึ่งที่คุณหมอไม่ได้พูดเนี่ย หนูคิดว่าถ้าสมมติหนูเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วจะต้องรักษาอาจจะหนูอหนอูหนูที่ว่าอาจจะไม่รักษาก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะบางคนที่หนูเจอมาก็เขาอาจจะอืมเหนื่อยจากีโมเหนื่อยจากเรื่องอื่นๆแทนที่จะได้สบายอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะว่ากันอีกทีนึงค่ะอาจารยไ์ไม่ต้องก็ต้องชั่งน้ําหนักหรือว่าถ้าเป็นยัง รักษาแล้วหายได้ก็อาจจะต้องยอมทนกับความทุกข์ในการรักษาดีกว่าถ้าไม่รักษาแล้วมันจะตายอย่างเงี้ยสมมติก็ก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วก็โอเคก็ปล่อยมันจะตายก็ตายไม่ตายก็อาจจะหายเองก็ปล่อยมันหายเองไปก็นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคิดตายในแบบทางโลกทางโลกก็ต้องชั่งน้าหนักด้วยว่าอ่ะรักษามันก็ต้องทุก่ หาตัดเอ้ยที่มืออะไรมันก็้องทุกข์แต่พ อ, อทำเสร็จแล้วมันก็หายบางคนก็หายไปอยู่ต่อไปได้หลายสิบปีหร<ม>ือว่าทำไม่ไม่รักษาปล่อยไปอาจจะลามปามถึงขั้นที่สามขั้นที่สี่เลยระยะเวลาส3งสามปีอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เสียชีวิตไปเหมือนก็แล้วแต่เราจะเลือกอนี้ต้องพิจารณาเอง ที่จะว่ารักษาเป็นกิเลส ม, มันก็มันก็จะว่าเป็นกิเลส ม, มันก็เป็นแต่มันก็ถ้าเรายัางคิดว่าเรายัางต้องต้องอยู่ต่อไปเพื่ออาศัยประโยชน์จากร่างกายเราก็ต้องรักษาไปแถ้าเริด่เราไม่มีภาระอะไรแนละ้วไม่ต้องทําอะไรแนละ้วอยู่ก็ได้ตายก็ได้ก็อันนี้ก็รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ไม่รักษาเดี๋ยวมันก็ต้องทุกขอยู่ดนะีมันก็ต้องเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆตามตามเวลา เรานเนี่ยอายุเราน้อยด้วยนัางกายมันะมีกาลังที่จะฟืน้น้นได้เร็วอันนี้ก็พูดเป็นเนีพูดเป็นแบบกลางๆนไม่ได้บอกให้ตัดสินใจจะอย่างไรอย่างนั้นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปไปเช็คอาการให้เช็คที่โรงพยาบาลตรวจอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวหนูค่อยฟังที่คุณหมอวินิจฉัยก่อนคะ่ะว่าจะยังไงตีตัิตินไดอีกทีหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์ แล้วใจเราเป็นไงนอนหลับไหมเครียดไหมไ ม, ไม่ค่ะมันเหมือนโล่งมากกว่าค่ะบางทีแบบได้รู้สาเห็นใช่ค่ะมันเหมือนมันอึดอัดมากมานานมานานแล้วเหมือนมีคนเหมือนเรากําลังจะบอกว่านี่นี่ลองดูสิเรากำลังผิดปกตินะ่แต่คนบอ ก, ain, อกไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกแต่เรารู้สึกว่าเราการําลังผิดปกติแล้วไม่มีใครเชื่อพยายามตรวจร่างกายหรือไปหาหมอหลายๆที่เหมือน เหมือนโดลรเจ็ตกลับมาแล้วมันรู้สึกท้อแท้มากกว่าค่ะอันนั้นอ่ะเป็นทุกข์ของหนูว่าแล้วหนูจะแก้ปัญหาไงพยายามหาโซลูชันนู่นนี่หลายๆอย่างค่ะเอ้สุดท้ายพอคราวนี้มาปุ๊บแล้วพอพอคุณหมอบอกว่าคุณไข้คะหมอเจอข้อเนื้อค่ะแล้วมารู้สึกว่าเฮ้อนี่ยสักทีจะจะจะเชื่อมันเหมือนแบบเหมือนดีเหมือนดีนดอารมณ์นึงก็ดีใจค่ะโล่งว่าเออสักทีที่เราถืออดมาตั้งนานนี่ค่ะพะี่อาจารย์โลงไปแล้วก็มาเจอ เต่ทุกใหม่แตอทุกใหม่นะค่ะแต่ก็ต้องยอมก็ต้องตามนั้นล่ละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้สุกไงคะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะก็ไปโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะพระอาจารย์โอเคก็ดูแลไปนะด่างกายก็ดูแลไปใจก็ดูแลไปแยกมันออกกันละส่วนกันใจก็ ไม่ไม่ไปเครียดกับการรักษาหรือไม่ไม่ไปเครียดกับการที่จะต้องเจอความตายถ้ามันต้องเจอความตายก็ต้องให้มันสงบได้ทั้งสองทางรักษาก็สงบรักษาไปใจเขาไม่เครียดกับการรักษาแต่ถ้าไม่รักษาแล้วแล้วไ่เจอความตายก็ใจก็ไม่เครียดกับความตายก็ก็ได้ทั้งสองทาง ในที่สุดมันก็ไปเจอที่จุดเดียวก็คือความตายเป็นแต่ช้าหรือเร็วทังหนเ่งใช่ไหมยากง่ายหมายถึงตายตายแบบทรมานหรือไม่ทรมานอะไรเงี้ยครับใช่ตายเร็วตายช้าตายตายนานหรือไอทุกนานหรือทุกสั้นบางทีตายเร็วหรือตายตายช้าถ้าตายช้ามันก็ทุกนานหน่อยก่อยจะตาย ค่ะพระอาจารย์ต้องถามใจเรา้วแล้วพร้อมจะรับกับรูปแบบไหนควรจะพร้อมกับทั้งสองรูปแบบอันนี้สุดค่ะร<อ>ักษาก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่รักษาก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดองนี้ก็โอเคค่อะอาจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่ค่ะพระอาจารย์อือ yeah. ใจเราสําคัญกว่าร่างกายเดี๋ยวร่างกายมันก็ผ่านไปแต่ความเครียดความทุกข์ถ้ า, ายังไม่ได้รับการเยียวยายในใจมันก็อยู่ต่อใจของเราต่อไปไม่ต่อพบหน้าต่อไปอีกเราสามารถเยียวยาความเครียดความาทุกข์ได้ในรับผ่านไปได้บางทีเราก็ไม่ต้องกลับมาเจอข้อสอบ น, นี้ก็ได้ะนะอย่าลืม ลืมเรื่องใจด้วยนะไม่ใช่ากายอย่างเดียวมัวแต่เขาอู่อเรื่องกายแล้วลืมเรื่องใจไปใจเราก็ต้องสอบให้ผ่านได้สอบผ่านความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาก็ได้ผ่านความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็ได้มันต้องมันต้องผ่านได้ทั้งสองสองสองทางรักษาก็ไม่รักษาก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุก อย่ามัวแต่ไคอโฟกัสอยู่ที่เรื่องร่างกายเป็นอย่างเดียวกายสําคัญกว่าเข้าใจไหยค่ะเข้าใจค่ะตอนนี้ยังแบบรู้สึกเฉยยังเฉยเฉยอยู่ค่ะหมายถึงว่ายังรู้สึกอยังบอกบอกไม่ถูกค่ะมันเฉยมันรู้สึกว่าาใจ<ช>หาใจเครียใจทุกก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาแล้วนะสติสมาธิปัญญาอย่เยแก้มันได้ ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตั้งตั้งรับกับมันอีกทีเองว่าไม่รู้ว่าจะแอมที่สิ่งที่เจอเนี่ยจะตกใจหรือจะเครียดหรือจะเจ็บยังไงค่ะจะต้องเจอยังไงก็ต้องเจอค่ะพระาอาจารย์ปัญหาใหญ่เป็นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายค่ะบางทีเราลืมไปเราเอามือแต่ไปแก้ร่างกายแล้วเราลืมไปแก้ร่างใจไปแต่แล้วก็เครียดไปทุกไป เราต้องแก้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเลยร่างกายแก้ได้แก้ไปร่างกายแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายแลใจเราไม่เครียดกับมันไปทั้งสองทั้งสองทางไปทางไหนก็ไม่เครียดไม่ทุกข์กับมันโดยการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา้่างกายไม่เที่ยงกิอนแก่เจ็บตายเป็นน่งเป็นธรรมดานุ่งพ้นไปไม่ได้ ต้องรักษาทั้งสองทางทัง้งสองส่วนกายก็รักษาไปถ้ายังจะรักษาใจก็ต้องรักษาไปด้วยกายไม่รักษาก็ต้องรักษาใจมาให้ทุกข์กับมัน <c oughs> ต้องปล่อยวางร่างกายสรุป ก, ก็คือต้องเห็นว่าร่างกายเปนะ็นหนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นหนึ่งรามลงไฟ เข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจอืยปฏิบัติได้ไหมได้วยสมาธิปัญญาของตัวนี้ค่ะไปค่ะพระอาจารย์นะค่ะแยกแยากใจออกจากร่างกายให้แน้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเราไม่ได้เป็นใบต้นร่างกายเป็นมะเร็งเราไม่ได้เป็นมนนะเร็งเนี่ยร่างกายตายเราไม่ได้ตายเหมือนกันเราอยู่ต่อ <c oughs> ค่พระอาจารย์อ่าสาธุสาธุค่ะอ่อาศัลย์ษาว่าไ ง, ไมไงเาามร า, าจะนั่งฟังหรือเล่าสุกขะอาจารย์โยมขึ้นเขารอบนี้นะคะทําใจตั้งแต่บ้านแล้วค่ะว่าอาจจะอยู่บนเขาคนเดียวก็ไปยังไงก็ไปค่ะแล้วก็ไปรอบนี้คือเจอความทุกทุกในใจทุกข์ที่มันขึ้นมาเยอะมากค่ะอาจารย์ไม่สามารถนั่งได้เลย จนกระทั่งโยมก็เลยมานั่งที่หน้าเรือนนะคะแล้วก็กําหนดให้ร่างกายเนี่ยคืนสู่ดินน้ําลมไฟสู่ธาตุสี่จนกระทั่งเป็นกระดูกโครงแห้งแล้วคะ่ะแต่ทำไมทุกยังอยู่ใจไม่มีแล้วตัวไม่มีแล้วทําไมทุกยังอยู่โยมก็เดินเดินจงกลมเดินวันหนึ่งเดินเดินเดินขายจาย์แล้วก็มาคิดว่าจริงอยู่ว่าทุกมันไม่เทีิยงแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ตรงไหนมันเกิดอยู่ตรงไหนโยมก็มานั่งเจอว่า ความทุกข์ของโยมที่อยู่นี้มันมาจากบางครั้งความโกรธค่ะอาจารย์ความโกรธแล้วก็มันเป็นเหมือนกับความคับแค้นใจแล้วก็ความเสียใจความอับอายมันอยู่เนี้ยโยมก็มาแตกแตกออกมาแล้วก็โยมมันเข้าสู่คําว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาตรงนี้ค่ะอาจารย์โยมก็เลยไปหาว่าแล้วจะแก้มันยังไงมันจะแก้ตรงนี้ยังไงไปหาในมัดแปดยังไงโยมก็ไปดูในเรื่องของดําบีชอบกับ ความเพียรชอบค่ะอาจารย์โยมไปเจอตรงความเพียรชอบตรงที่ว่าละอกุศ ล, ลอกุศลใช่ไหมคะแล้วก็ระวังไม่ให้เกิดแล้วก็สร้างกุศลแล้วก็รักษากุศลที่มีอค่ะอาจารย์โยมก็เลยเดินจงกรมแล้วก็ท่องละระวังสร้างรักษาเดินอย่างเงี้ยเดินท่องท่องท่อ ง, ท, องท่องไปจนคิดว่าความทุกข์ที่มันมีเนี่ย เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับโยมก็เลยทํายังไงดีไม่รู้จะดับยังไงดีมันเครียดมากเลยค่ะอาจารย์จงต้องรู้สึกว่ายอมแล้วแหละแต่โยมก็มาเปิดตัดสินใจเปิดสัญญาณโทรศัพท์นะคะวันอาทิตย์ฟังเทศของอาจารย์หน้าหน้ากุฏิอะค่ะอาจารย์เทศว่าคนที่เกิดในศาสนาพุทธเนี่ยคือคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราต้องไปขึ้นรางวัลการโดยใช้การทานศีลภาวนาเนี่ยค่ะอาจารย์ โยมก็เลยบเออลองใหม่สักตั้งหนึ่งเราเกิดมาเราโชคดีแล้วนะมาเจอพุทธศาสนาเรามาเจอคุณสื่อดีเราเจอพี่เลี้ยงดีเจอสถานที่ดีทําไมเราไม่สู้โยมก็เลยเอาใหม่หาอาจารย์ฟังเทศวันนั้นคือตอนที่ผ่านมาคือปฏิบัติภาวนามไม่ได้เลยมันเป็นฟ้าเหมือนกับมีเมฆหมุนมัวค่ะอาจารย์มันนั่งภาวนามไม่ได้มันเป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพหลอนเหมือนกับเป็นนิมิต แต่ธรรมอาจารย์บอกว่าอย่าไปสนใจนิมิตก็เดินเดินแต่ว่าวันที่ฟังธรรมวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกอะค่ะมันปลดล็อกอายาโยมมาคอาจารย์เออเราสู้ต่อมาสักตั้งก็เริ่มมาโยมเดินจงกรมนับตั้งสามโมงคึ่งจนถึงหกโมงค่ะอาจารย์แล้วโยมมาดูว่าไอ้ความทุกข์นี่มันผุดขึ้นมาตรงไหนไอ้ความคิดนี่มันผุดขึ้นมาตอนไห น, น, น, น, น, ไหนเห็นตอนมันดับแต่ไม่เห็นตอนมันขึ้นโยมก็เลยนึกถึงเทียอาจารย์ว่า ทุกมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงตรงไหนเรารู้ว่าไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงยังไงแล้วเราไปหาใหม่ค่ะอาจารย์ยงก็เดินเดินดูตอนที่มันจะเกิดเห็นตอนดับแต่ตอนที่เกิดเกิดตอนไหนยมก็มาเดินเดินเดินเดินอยู่ประมาณสองชั่วโมงกับสามชั่วโมงติดเลยนะคะแล้วมาพบว่ามันมีสิ่งเราที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาค่ะอาจารย์มันเหมือนว่าเราเห็นแสงที่มันที่ชายกางเกงหรือได้กลิ่นมันก็ทําให้เกิดมันก็เลยมา อ๋อมันไอ้สัญญาณกับสังขารที่มันปรุงแล้วจะทํำยังไงกับมันที่จะตัดมันไปได้อ่ะค่ะอาจารย์ยมก็เดินท่องว่าถ้ามันทุกมันต้องดับเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับเดินท่องๆแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วยมก็มาพบว่าจริงๆแล้วถ้าเราเดินไปความคิดมันแวบเราไม่สนใจมันคือการหนีสําหรับยมยมคิดอย่างงั้นนะคะมันคือการหนีปัญหา โยมก็นึกถึงคําของอาจารย์ในหนังสือธรรมะบนเขาเล่มห้าค่ะโยมชอบอ่านเลิมนั้นโยมโยมมีไว้ในครอบครองค่ะอาจารย์โยมก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าเมื่อคิดให้หยุดโยมเดินเดินพอความคิดมันผุดขึ้นมาโยมหยุดมันดับจริงๆนะคะอาจารย์เดินเดินเดินพอความคิดมันผุดปุ๊บมันดับทำนี้โยมเห็นแล้วมันดับแต่โยมจะดูว่ามันเกิดตอนไหนโยมก็มาพบว่ามันมีสิ่งเร้าคือไอทางอะไรนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายอะค่ะแล้วมันก็มาคิด ยมก็ว่าเ้าทำยังไงถึงจะให้ดับสติมันแค่ทําให้เราหยุดคิดแล้วเราจะดับมันยังไงเราจะต้องมาดับไอสัญญากับสังขารนี้ให้ได้อาจารย์ยมก็คิดคิดแต่เรามีกําลังใจแล้วนะคะพอวันที่ยี่สิบเจ็ดยมก็มาทำมัฟังธรรมะบนเขาอีกค่ะอาจารย์ก็วันธรรมะวันเขาวันที่ยี่สิบเจ็ดนั้นมันเหมือนกับว่าต้องมาฟังทำแล้วก็ต้องทําแล้วยมคือยมก็มาฟัง พอยีิบเจดมันฟังมันกับว่าที่ยี่สิหกฟังแล้วใช่ไหมคะมาฟังยีิบเจ็มันเหมือนกับมายิ่งสนับสนุนกันเข้าก่บอาจารย์แล้วโยมก็นั่งภาวนาคือทั้งยี่สิบหกยี่สิบเจดการภาวนาของโยมจิตมันรวมแล้วก็นิ่งลงนิ่งลงค่ะอาจารย์แล้วก็ทําให้การภาวนานั้นมันเหมือนปลดล็อกข่าวจำโยมคิดว่าอ๋อความทุกข์ของโยมเดี๋ยวมันก็ดับค่ะมันก็ดับไปเจอความทุกข์ตรงนี้มันขึ้นมา เราไม่ไปปรุงเราไม่ไปต่อเดี๋ยวมันดับพอมันมีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บตั้งรับอย่างเดียวเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันดับค่ะแล้วโยมก็มาคิดว่าแล้วโยมจะดับสังขารกับสัญญาณได้ยังไงก็นั่งเครื่องบินมานะคะคิดบนเครื่องค่ะเราบอกเราสติมันแค่เบรกแต่เราจะดับมันได้ยังไงก็มาคิดว่าเราต้องดับมันด้วยปัญญาเนี่ไงคะพอมันปัญหามันเกิดขึ้นทุกมันเกิดขึ้นดับด้วยเดี๋ยวมันก็ดับท้องคํานี้คําเดียวเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับ โยมรู้สึกว่ามันทําให้โยมเบาลงนะคะจากจากการขึ้นเขารอบนี้โยมไปเจอตรงนี้มาค่ะแล้วก็การภาวนาของโยมโยมนั่งภาวนานอกนอกเรือนนะคะตามที่อาจารย์บอกว่าให้อยู่นอกข้างนอกไปนั่งภาวนาข้างนอกโยมก็นั่งค่ะแต่มันไม่นิ่งหรอกนะคะแต่โยมต้องนั่งให้หนึ่งชั่วโมงต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงให้ได้ต้องนั่งไปนั่งไปแต่มันก็ทําได้ค่ะจังความกลัวมันมันหายไป ยมไม่กล้าถามน้องเขาว่ามีทั้งหมดบนเขากี่เรือนยมคิดว่ายมอยู่คนเดียวทั้งเขาช่างมันยมก็อยู่ไปได้ค่ะอาจารย์ยมกลับมาก็รู้สึกว่าการภาวนาโยมห้าวันแรกไม่สามารถรวมได้เลยค่ะมันเป็นแค่อยู่กับลมแค่นิ่งๆแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดได้วันที่ยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดการภาวนาของโยมแบบมันนิ่งค่ะอาจารย์มันนิ่งแล้วยิ่งวันที่สิบเจ็ดก่อนกลับ มันสามารถต่อได้ถึงสามสามสามถ้าพูดง่ายๆก็คือสามหละสามยกกับอาจารย์ยมพูดแบบยมนะคะถอนออกมาแล้วแล้วก็ยมมาต่ออีกทีหนึง่งมันก็เข้าไปนิ่งเหมือนเดิมพอนออกมาแล้วแล้วก็กลับมานิ่งอีกนิ่งเหมือนเดิมค่ะอาจารย์การภาวนาก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่เมตตายมรู้สึกว่าอ๋อต่อไปนิ่งทุกก็คือเดี๋ยวมันก็ดับค่ะได้ตรงนี้มาค่ะอาจารย์ถ้าเราหยุดเช่นมันก็ดับ ย๋ยู่ตามความอยากมันก็ดับใช่ค่ะจะบางทีเราหยุดแล้วใช่ไหมคะมันมีเรื่อง<ม>ใหม่ขึ้นมาอีกเราต้องคอยปราบมันเรื่อยๆอค่ะต้องคอยหยุดมันเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือมาท่องคําเดียวเลยพอมันขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับค่ะแต่ว่าออไอ้เรื่องไอ้เรื่องความคิดนั้นจะไม่ไปคิดแล้วนะคะอไม่ไปทุกข์กับมันก็แล้วกันถ้าเราไม่ทุกข์กับมันมันไม่ต้องไปอยากให้มันหายทำอย่างให้มันหายมันทําให้เรายิ่งทุกข์ขึ้นไปอีกใช่ค่ะยอมรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับก็แล้วกันใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นนะตอนนี้หมายความว่าพอเจอเรื่องปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็ตอนนี้พอไปฝักวันนี้ไปเป็นกับลูกใช่ไหมคะไปหาปหาหมอที่คลินิกลูกออกมาบอกแม่หมอจะให้มันเป็นเนื้องอกนะมันอารมณ์แรกที่ฟังปุ๊บมันนิ่งนะคะจารย์มันไม่ได้ตกใจหรือแม่้ไรมันนิ่งค่ะไม่ใช่ไม่รักลูกนะคะแต่มันนิ่งมันนิ่งลูกหันมามองลูกบ อ, อกแม่ไม่เป็นไรลูกพอไปที่อันเตอร์ซาวก็ออกมาหมอก็พูด ลูกก็จะคอยมองหน้าแต่ว่าเรานิ่งจะลูกอาจจะคิดว่าแม่ไม่รักหลูกป่าไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันนิ่งอะคะ่ะจาย์มันรู้สึกเว่ามันเป็นแบบนี้มันนิ่งได้อย่างนี้ละคะ่ะจายันนิ่งได้ก็ถกแล้วไม่ทุกข์กับมันใช่ค่ะทุกข์ก็ทำงานไม่ได้เนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าก็คือการขึ้นเขารอบนี้ก็มันเหมือนตอนแรกคิดว่ายอมละยอมล้มกระดาษละะ้วค่ะจันยอมตายเป็นตายแล้วเอาละยอมละแต่พอมาฟังทำ การฟังธรรมนี่มันช่วยได้จริงๆนะคะจา่าต้องฟังธรรมค่ะแล้วก็โยมมาโยมมีตารางไว้ใช่ไหมคะในการปฏิบัติธรรมแต่ว่าพอโยมขึ้นหลังเนี้ยโยมจะไม่มาฟังธรรมยิ่งโยมจะใส่ไว้เลยว่าสองโมงจะต้องฟังธรรมแต่โยม<ด>อยากเรกยนภาวนาค่ะอาจารย์ต่อเ น, นื่องพอมาฟังธรรมแล้วการภาวนาก็ขาดตอนไปใช่ค่ะโยมโยมก็เลยบอกว่าโยมก็ไม่ก็เราไม่โยมก็เลยตัดข้ามตอนนี้ไปแต่ม ฟ, <ป>ฟังที่กุติฟังที่กุติกก็ได้นะเพื่อนเปิ่อน ใช่ค่ะยมยมนั่งฟังธรรมที่กุติอะ่ะค่ะยมฟังธรรมเกิดเหมือนกันไม่ต้องมาที่ที่หน้ากุติแล้วไม่ไม่ค่ะไม่ได้ลงเพราะว่าทีแรกอะแต่ว่ายมรู้แล้วว่าการลงเขาไปฟังธรรมไม่กิเลสมากค่ะกิเลอยาจะออกข้างนอกใช่ค่ะยมเสียเสียดายเวลาค่ะตอนนี้อารมณ์เสียดายเวลามีเกิดขึ้นค่ะอาจารย์ไม่มวเวกันถ้าอยู่คนเดียวมันเวเวกันพอมาฟังเทศเจ้าคนนู้นเจ้วันนี้กิเลมันได้น้ำเป็นมาได้คุยกับคนนั้นบ้างได้คุยกับคนนี้บ้าง ค่ะตอนนั้นก็คือแบบว่าตอนแรกๆะสองจิตสองใจว่าจะลงมามถวายอาหารไหมแต่อาจารย์เทพก่อนจะขึ้นเขาว่าไม่ต้องลงมา อ, มอมดีจังเลปลดล็อกค่ะปลดล็อกไปแล้วก็อยากคลุกคลีกันนักภาวนาต้องเปรี้ยวๆใช่ค่ะยอมยมจะฟังทำตอนก่อนขึ้นเขาเพื่อจะเอามันกับเก็บเก็บเก็บคีย์เวิร์ดขึ้นไปอะค่ะแต่พ อ, อจะลงมาเนี่ยยมต้องเสียเวลาหนึ่งวันในการปฏิบัติยมรู้สึกเสียดายค่ะ โยมก็เลยเปิดฟังธรรมะหน้าปุติบนเขาอะค่ะตอนที่อยู่บนเตียงนะคะโ ย, ยมทำค่ะแล้วก็โยมแอ บ, บอธิษฐานนะคะวันวันอาทิตย์อาจารย์เทศเรื่องมักแปะหน่อยอยากหาข้อมูลที่มาตอบโจทย์นิยมจะแก้ปัญหานอย่างไงเพราะว่าทุกของโยมมันเกิดจากการโกรธมันคือปฏิฆะโยมจะตัดนี่ยังไงแต่อาจารย์เทศเรื่องพละห้าค่ะแล้วอาจารย์ก็เทศเรื่องพระหไปตอนจบแต่อาจารย์ก็มาขมวดตอน ตอนจะหมดเวลาว่าไอ้สัง่งเอามาแปดเนี่ยไม่เทศอย่างเงี้ยอาจารย์ได้เหตุผลยมก็อ๋อแต่ยมก็รู้สึกตอบโจทย์แล้วค่ะอาจารย์ได้แล้วค่ะคืนนั้นนั่งภาวนาแบบแวนละาก็ั่งแปดเนี่ยพียงแต่ย่อารนั่งสีนไปเนทะ่านั้นเองไม่ได้พูดถึงการีใช่ก็คือแบบโหมันปวดล็อกค่ะอาจารย์คืนนั้นนั่งภาวนาแบบฟ้าจากฟ้าที่มันหม่นหม่นะคะการเป็นฟ้าที่กระจ่างเลยค่ะอาจารย์โล่งไปเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พอยม หลดุดยมยมย ม, ยมคิดได้แอ๋อทุกเดี๋ยวมันก็ดับแต่พอมาฟังธรรมอีกแบบโอ้มันโล่งเลยค่ะอาจารย์คือ น, นั้นนั่งภาวนาแบบดีแต่ว่ามันพลาดตรงที่ว่าพอเรานิ่งแล้วยมออกมาเดินจงกรมความจริงยมพกลับมาน่าใหม่มันไม่ต่อแล้วค่ะอาจารย์แล้วคราวนี้พอวันที่จะกลับวันที่เจ็ดใช่ไหมคะยมฟังธรรมะบนเขาฟังอีกวันหนึ่งค่ะอาจารย์ก็เทศเทศอีกมันก็ไปย้ําเตือนคราวนี้ยมก็มานั่งธรรมะมานั่งภาวนานะคะอาจารย์ ทุกอย่างมันเป็นสีขาวไปหมดเลยแล้วมันมีความลึกลึกลึกลงไปค่ะจานครั้งนี้พยมถอนยมไม่ออกไปเดินจงกรมแล้วค่ะยมก็นั่งต่อนั่งต่อจนกระทั่งมันเหมือนกับมันเบาแรงเองนะคะมันเหมือนเราแส่จดอดรถแล้วเรากดเกียวว่างให้รถมันไหลไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดอะค่ะจารย์ยมใช้วิธีนั้นแล้วมันก็นิ่ ง, งไปนานเลยคะ่ะจนสามทุ่ม ก, กว่าๆยมก็เลยออกมานั่งจงกรมให้นั่งภาวนาข้างนอกค่ะจาน ก็ที่แรกคิดว่าคงจะเห ล, แลวแล้วแหละทําใจแล้วว่าช่างมันเถอะเอาใหม่ก็ได้ค่ะแต่ก็รู้แล้วว่ามันได้ได้ได้เป็นข้อคิดแหอาจารย์ว่าทุกทุกนี่มันเกิดจากตัวเราทั้งหมดเราเอามาปรุงเองทั้งหมดแล้วก็โยมก็ขออนุญาตนะคะโยมไปฟังธรรมะของพระอาจารย์วันชัยวิจิตโตนะคะอุบายฝึกจิตอาจารยโยมฟังอันนี้อันนี้โยมก็ กโยมก็มาได้คิดว่าทุกจริงๆมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วทุกๆเลยคะ่ะทุกเรื่องมันขึ้นมาหมดแล้วแต่เราเอามันมาปรุงยอมลงก็คิดว่าออความรุงทุกอย่างมันก็จบอย่างมันก็จบต่อให้มันเกิดใหม่ไ ง, งาเดี๋ยวมันก็จบค่ะอาจารย์โยมเดนเดินลงล ง, ลงเขามาวันนั้นคือตัวอยา่างปกติโยมจะขังตังแต่คราวนี้ก่อนจะจับโยมเปิดผ้ามา่านเดินลงมาแบบเบาค่ะอาจารย์มาเจออาจารย์โยมโยมเบายโยมรู้สึกโยมโยมมีความสุขแล้วค่ะอาจารย์ ก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะตอนนี้ อ, อการเดินทางรอบนี้หมดไปเกือบเฉพาะค่าเดินทางอ่ะเกือบหมื่นนะแต่ทำหน้าที่ได้ก็น่าจะคุ้มค่านะใช่ค่ะการเดินทางของโยมไม่เคยเสียเที่ยวค่ะอาจารย์ขึ้นเถวแต่ละรอบโยมมันตอบโจทย์แต่รอบนี้คือไปพร้อมทุบไปไปเจอทุกขนาดภาวนาให้ร่างกายตัวเราเนี่ยแห้งนะเน่าเปื่อยแห้งแห้งเหมือนกับ โทษ น, นะคะสุนัขที่มันนอนตายข้างกระนุน่แล้วเหลือโครงกระดูดอยู่บนดินอย่างนั้นค่ะแต่ทําไมร่างกายไม่มีแล้วมันสลายไปหมดแล้วแต่ทําไมทุกยังอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็โยมก็เจอปัญหาว่าทําไมโยมถึงชอบติดมิดมิโยมจะแก้ปัญหาอย่างไรภาพมันปุ๊บหลับตาปุ๊บภาพมันขึ้นมาทันทีค่ะอาจารย์โยมใช้วิธีไม่สนใจแต่ภาพก็ยังหลอดอยู่อย่างนั้นนะคะอาจารย์ตอนแรกๆนะคะห้าวันแรกยังอยู่แต่โยมก็ตั้งสติแบบ ไม่สนใจมันค่ะจนโยมมาปลดล็อกได้แล้วทุกอย่างมันก็คือแบบตัวยได้หมดแล้วค่ันโอเคดีมากครับต่อไปอทูกค่ะรู้สึกโยมโยมโยมขออนุญาตอีกข้อได้ไหมค ะ, ะจิตว่าโผดมันคืออะไรอะคะจังก็จิตที่มันไปเที่ยวตามตนรกสวรรค์ไปเจอพูดผีปีศาจอะไรต่างเลย คือคือโยมจิตไม่ได้อยู่ในอัปปนาสมาที่มันออกไปทางอุค์ปจารสมาธิก่อนก่อนที่โยมจะสําเร็จไม่ใช่สำเร็จคือก่อนที่โยมจะนิ่งในวันที่ยี่สิบหกค่ะวันอาทิตย์นะคะโยมนั่งแต่มันมีภาพขึ้นมาโยมก็ไม่สนใจได้ยินเสียงว่าไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโยมโยมก็นั่งเฉยค่ะมาเริ่มดิ่งโยมก็ได้สติโยมก็กลับมาทําไมจิตทําไมดื้อจังอะอย่างเนี้ยได้ยินไหมทใไมดื้อจัง โยมก็นั่งเฉยโยมก็ปลอดฟังไม่สนใจคขาอะค่ะอาจารย์นิ่โยมก็เอ๊ะจิตเราปรุงไปเองหรื อ, ปอเปล่าอาจารย์ยากตอนใหญ่มันก็เรื่องของจิตนะทั้งนั้นจิตไม่เนิ่งมันก็ปรุงเลยแต่ว่าต้องขอบคุณนะคะสําคำพอมีปัญหาปุ๊บข่าวหัอาจารย์ขึ้นมาไม่มีประโยชน์อย่าไปสนใจมันไม่มีประโยชน์จะไปสนใจมันประมาณนั้นเลยอาจารย์ใช่แล้วนะต้องการความเนื่งความว่างความสงบนะ <c oughs> แต่ว่าสองข้างหลังแบบเดินแบบมันมีความสุขคอาจารย์ยงยมต้องขอบคุณนะคะยมทําตามที่อาจารย์บอกผู้อย่างเลยให้เดินจกงกรมข้างนอกก็เดินนั่งภาวนากลัวนะคะอาจารย์ไม่ใช่ไม่กลัวยัง ก, กลัววันแรกแรกที่รู้สึกว่าวันนี้เราอยู่บนเขาคนเดียวใจมันรู้สึกตุ๊บตุ๊ๆตุ๊ววอาจารย์แต่ก็อยู่ได้ ค, <c oughs> คร่ะจงกรมเป็นอะไรเพื่องละมาเอาร่างกายมาทิ้งมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ตอนที่เดินจงกรมคือแบบมันก็น่าแปลกนะคะอาจารย์ตรงที่เราไม่ไม่รู้สึกว่าปวดหรือเมื่อยนะคะเดินเดินแบบคนอายุหกสิบเจ็ดปีเดินสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงนะคะอาจารย์แล้วก็เดินคิดว่าถ้าเราต้องไปมันมีภาพของเพื่อนโยมที่เสียชีวิตผุดขึ้นมาค่ะโยมก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเจอมะเร็งเราจะผ่าตัดไหมไม่ถ้าเราจะรักษาไหมคีโมไ ม, ไมไม่ยังไงก็ตายมันก็เดินอย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกมันก็โลงะะ่งค่ะอาจารย์ ยงขอบพระคุณทุกๆอย่างขอบพระคุณทุกสิ่งเลยค่ ะ, ะอาจารย์ขอบพระคุณสาธุค่ะอาจารย์โอเคใ น, นที่สุดเราก็ต้องไปกันทุกคนนะนั่ น, นก็ายว<ช>่าทุกคนไม่มีใครอยู่า ท, ที่ยมที่ยมพูดนี้เผื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องทุกข์เขาจะบอกว่ายมก็จะเอาของไปอยู่ป่ะเดี๋ยวมันก็ด่าง อ, อาจารย์ใช่ค่ะขอบพระคุณนะคะพรอาจารย์สาธุค่ ะ, ะ, ะ, ะ, ะคุณปุ้ย คุณปุ้ยมีอะไรไหมเวลาน้อยพูดดน้อยหน่อยค่ะพระอาจารย์สิงเกียรยุอิสิงห์นวัใช่ค่ ะ, ะคุณปุ้ยมาขอพรมารับพลังเฉยๆพระอาจารย์ปฏิบัติเดิมค่ ะ, ะเหมือนศีลสวดมนต์เจริญจิตภาวนาก็นั่งสมาธิก็สงบมั่งไม่สงบมั้งแต่ว่าทําทุกวันทําเพิ่มเติมค่ะ อยากปลใอ้สุขใหเจริญให้เราไม่ลอยไปนะอ่ะบายโยมก็มีอย่างเดียวที่ที่ติดคือมันมันเหมือนมีอะไรมาแกล้งโยมมันมีอะไรติดคอติดคออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยตอนโยมจะนั่งอะมันเหมือนมีเวลาที่เดินเหมือนเวลาดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่วันเรามาละนั่งสมาธิเนี้ยคือ โยมก็ชอบฟังพระอาจารย์น่ะเวลาจะเปิดฟังพระอาจารย์ก่อนคือตอนระยะแรกๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับอะไรมัติดอยู่ตรงคอหอยเราแล้วบเหมือนเสลี่ยมหะหรืออะไรทีนี้โยมก็เลยแก้ปัญหาโดยที่ว่าโยมทานยามาก่อนแล้วก็มนันอืมมันก็รู้สึกดีขึ้นอันนี้เรากลัวเราจะติดยาเราก็เลยใช้วิธีอธิษฐานจิตอืมก็โยมก็รู้สึกว่าเออมันสงบ เราก็ได้สติเยอะแบบอย่างเวลาเราจะทำเรามีปัญหาเราเจอปัญหาอะไรเรามียนมีอะไรอ่ะเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเหมือนมีอะไรมาเตือนเราว่าเย็นไว้ก่อนนะฟังฟังให้เยอะพูดให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนองเนี้ยค่ะแล้วโย ม, ม, มยก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่ายังไงโยมก็ ตามพระอาจารย์นี่แหละบสถามมาสองปีแล้วถือศีลแปดมาสองปีแล้วกินเจมาสองปีแล้วก็ต้องทําให้สุดเนะะี่ยค่ะอขอจะมาขอบารมีพระอาจารย์ขอให้ยมประสบความสำเร็จ ด, ด้วยอ่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ให้หลุดพ้น <Yeah. S 1> จากความทุกข์ทั้งปวงเลยนะค่ะ yeah. พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ <c oughs> ทัดขันแข็งค่ะเอ่สาธุอ่าคุณจุบโกเบ น้าวสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาฟังธรรมไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเควันนี้ไม่ไม่เลยพิจารณาพิสดารกันเหรอ <laughs> ไม่มีแล้วเจ้าค่ ะ, ะไม่มีอโอเคขอุ่นมาเลย <laughs> ตามาเลยข่าววันข <laughs> <ะ> <laughs> ้อข้อไมะไร้ไม่ ตอนนี้ก็ไม่ได้มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติแต่ก็ยังอยู่ค่ะจิตใจก็สงบไปตลอดนะตั้งวันทั้งคยืนไม่ทำให้วุ่นวายกับใครนะให้วุ่นวายค่ะอืปฏิบัติดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝนมากฝนน้อยก็ไม่ไม่รีบตอบไม่กังวลนะไม่ค่ะเรื่องของฝนเราห้ามันไม่ได้นะค่ะตุอย่างมันไม่เที่ยงค่ะหแล้วแต่ ก็มาก็มาจะเกิดก็เกิดเรามีหน้าที่รับรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทําใจไปอ่ะนะอ่าปล่อยวาู้แล้วก็ปล่อยวางวางเฉยถูกต้องแล้วแนวทางที่ถูกต้องก็คือการปล่อยวางรู้แล้วก็วางค่ะรู้แล้วก็วางอย่าง้นแล้วมันน่ะถ้าวางแล้วมันเบาต่างลยค่ะ โอเคนะไปที่จะไปต่อเลยนะคุณโอพีเคุณโออยู่แถวนายผูเกตอยู่ในอยูในเมืองเ้าื่ออยู่อยู่หาดไหนอยู่ในเมืองเจ้าค่ะพรอาจารย์อยู่อำเภอเมืองก็ค่ะค่ะทางหนูก็ยังมีปฏิบัติอยู่จ้าค่ะอาจารย์พยายามจะให้ต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้า ไม่ติดอะไรหนูขอโอกาสขึ้นไปติดวิเวกนะเจ้าค่ะก็แล้วแต่หนูแล้วพระใช่แล้วมันเกี่ยวเรานี่นะได้จะได้เวลาแล้วเจ้าค่ะอาจารย์แต่คนออฟแจ้งว่าช่วงนี้เขาปรับปรุงเรียนพักอยู่เจ้าค่ะอาจารย์มีปัญหาเรื่องมดนิดนึงแต่ก็ต้องคอยคแยก้ไขอาจารย์เจ้าค่ะหนูอ่ายังไม่เคยไปในส่วนของวัทยานเจ้าค่ะอาจารย์แต่หนูคิดว่าหโหอยากขึ้นบนเขามากกว่าอนี้เจ้าค่ะ ันนีข้างบนเขาอันตีีป่ามันนี้มันเป็นป่ามากกว่าข้างล่างข้างล่างยังเป็นเหมือนวันอยู่เพราะว่าอยากจะออกจากการคุกคีด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าดีไม่ต้องเสี่ยเกรถต้เยเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ต้เจอใครไม่ต้องอยู่กับใครอยู่คนเดียวเค่ะจตหนูยังคลัวอยู่เหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะอาจารย์กลัก็ใช้ปัญญาเกิดมาแล้วต้องตายต้องยอมตาย ถ้ามันถึงเวลาจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายได้ใช่ไหมอยู่ที่ที่เราอยู่ขนาดนี้ก็ตายได้ถึงเวลามัจะตายก็ค่ะอืมเราไม่เําเราไม่คาดกิเลสเราไม่นํางกลัวตายนะ้็ค่ะว่ตะาตอนนี้เยั่เงื่อนกินก็ยังติดอยู่ได้ทีเจ้าค่ะอาจารย์บอกว่ามดขนมขน ม, ขนมก็จะมาตืมแต่หนูพยายามใช้วิธีครุกจ้าค่ะอาจารย์ถ้าถ้าอยากกินกินก็ครุกตัวเองงี้จ้าค่ะ เอ๋อยากกนะนี่ใช่ไหมครับครูคิดถึงอาเจียนอาจมบ้งอะไรคิดถึงอาเจียนอาจมางอาจารย์อาจจะ hard core ไปไหนเจ้าคะวันนี้เปิดภาพที่เป็นจากหนังสือกายยคตาสติของท่านหลวงตาเจ้าค่ะที่เป็นภาพที่ผ่าแล้วก็เห็นอาการสาดฉีดซอสข้างในเลยเจ้าค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของลําไส้แล้วก็จะมีอาหารเก่าที่แบบเลอะๆอยู่ตรงนั้นได้เจ้าคะอาจารย์ครุแล้วก็ทานแล้วก็เอา แต่ก็ยังทานได้เลยเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ไม่ให้บอกว่ารู้สึกขยะขยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์พยายามหาหาวิธีเจ้าค่ะอาจารย์ว่าเอออาหารเก่าแต่ไม่ให้ต้องไม่เวลาเวลาเคี้ยวอยู่ในปากลองคายออกมาก่อนแล้วตักเข้าไปกินใหม่นด้วยฟังแล้วเจ้าค่ะอาจารย์เออปมาณไรเจ้าค่ะมีมีคายออกมาแล้วมีเอาน้ําลายไปผสมดูตอนตอนนั้นมันมันมันได้ช่วงที่บอกว่าช่วงนั้นได้เจ้าค่ะอาจารย์แต่ก like like uh ็ไ huh. ม่ได uh ้ขยะขยงมาก แต่คือพอพอเวลามาปฏิบัติเนี่ยพอเราเราหิวอย่างเงี้ยพอนึกภาพที่นั้นไหม่ใหม่อะช่วยได้จ้าคะ่ะพระอาจารย์เรื่องความหิวอะพอจะไม่หิวมากแต่ไม่อยากมากอะไรเงี้ยจ้าคะ่ะแต่พอสักพักหนึ่งมันก็หายไปเหมือนลืมไปไยงี้จ้าคะ่ะก็มาใช้วิธีครุกจ้าคะ่ะช่วงนี้เหมือนว่าขนมหนูก็ยังทานแต่ไม่ได้ทานบบหวานมากอะไรเงี้ยจ้าคะ่ะพระอาจารย์เต็มเลยทั้งข้าหวานคลนะุบรวมกเป็นอาหารจานเดียวไปเลยพระอาจารย์วันนี้นมเปี้ยวผัดกะเพรา ขนมอะไรนะขนมปุไฟ้าอคลุกแล้วก็ส้มคลุกอยู่ในคลุกหนวดเลยเจ้าค่ะวายจันแล้วก็มีเปิดอาโทรศัพท์ว่าเปิดเลยเจ้าค่ะภาพแบบพาผ่าของอาการ32เลยเจ้าค่ะอาจารย์แล้วมันมีเป็นภาพแล้วนะเจ้าค่ะลูกก็ดูดูว่าเอ๊ะเราเราลังเกียจไหมอะไรเจ้าค่ะวายจันคือมันก็ต้องให้อุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะวายจันห้ามห้ามลังเกียจเวลาเห็นนะเจ้าค่ะลังเกียได้ถ้าเราต้องถ้าเราต้องคารจะหยุดความความอยากกินก็ให้มันลังเกียจได้ ต้องต้องให้ละเกียดใช่ไหมเจ้าคะอาจารมันจะได้ไม่กินมีถ้ามันถ้ามันไม่รงเกียดมันก็ยังกินต่อได้เลยอาจารย์หนูว่านั่งนังกินจะหมดเลยนะเจ้าคะเพราะว่าพอดีมันมันก็ยังอาจจะเป็นเพราะว่าอยากด้วยหิวด้วยเพราะหนูพยายามลดปริมาณอาหารลงเจ้าคะอาจารย์ใช่ก่อนอาจจะเคยเป็นม้ามาก่อนอาจารย์กินได้หมดเป็นเป็ดอาจารย์กินได้หมดก็ยิ่งสมหมายเลยอาจารย์ฮออาจจะเป็น อาจเป็นเปรดก็ได้นะเจ้าค่ะพรอาจารย์บางทีมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออะไรเงี้ยครับบางทีวเลยมันมันออกมาอีกละอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์วันพราเนี่ยจะแรงวันพระจะรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นท่านเยอะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เขาก็พยายามหาวิธีอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์คัดความว่ายอมมันว่าอะไรเงี้ยก็ลองกินแบบนับคําเถอะไม่เกินยี่สิบคำนี้พอถึงยี่สิบคำแล้วก็เลิกกินเลยพะอาจารย์เล้วโอ้จะทํำยังไงจะค่ะคือถ้าถ้ามันเป็นวัน คือปกติอนะหนูทําบางวันก็ทํางานบาวันก็ไม่ได้ไม่ได้มาปฏิบัติในห้องเลยรในสระอาจารย์นั้นมันจะมีความหิวหนูติด ต, ตรงนี้จ้ะค่ะที่มันเป็นอุปสรรคที่ว่าบางทีมันมันมากวนหนูวเวลาหนูปฏิบัติเนี่ยเรื่องความหิวทานมื้อเดียวหนูยังพูดตรงคำวัามือเดียวอยู่จาา้าค่ะอาจารย์แต่แตตั้งเป็นแบบว่าเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้ผิดศจระไม่ผิดศีระอธิษฐานในสักการะอาจารย์เวลาหิวให้คิดถึงความปฏิกูิย์ของอาหารคิดถึงอุจจาระหนูอาหารที่กายเป็นอุจจาระไป จ้าแต่ตอนเช้าเวลาเข้าห้องน้ำก็ดูนะเจ้าค่ะอาจารย์ยังดูอยู่ทุกวันเจ้าค่ะยังดูอยู่วันนี้ก็เปิดโทรศัพท์ช่วยอ่ออาจารย์เด็กเนี่ยมันต่อไปมันก็ไปอยู่ในในในในท่อเสื่อมไม่ไปไหนแล้วจ้าค่ะอาจารย์ก็พยายามพิจารณาทั้งรูปแล้วก็กลิ่นมาด้วยเจ้าค่ะอาจารย์อืมนะคะก็พยายามพยายามเจ้าค่ะอาจารย์พราหนูติดเรื่องนี้เรื่องรถเนี่ยขนาดหนักสุดตันนี้ก็ถ้ามันนี้ตอนี้ว่าถ้านหนูทานข้าวคนเดียววันไหนที่จะเข้าถ้ำอย่างนี้จ้า อาจารย์ครับคนเดียวแล้วหนูสามารถคุกได้จ้ค่ะอาจารย์มีเคี้ยวแล้วก็คลายออกมาดูได้อะไรอย่างนี้เจ้ค่ะมันก็จะดีหน่อยจ้าโอเคเจ้าค่ะก็ได้จ้ค่ะอาจารย์กล่าวขอบพระคุณอย่างสูงจ้ค่ะขอให้อาจารย์รักษาสัขาดนะจ้ค่ะเนแผลแผลต่อพัฒยาตอนนี้รักษาโรคหายยังโรคอ่พรุ่งนี้มีนัดหมอนัดค่ะเพราะว่า ไปทำสแกนคอมพิวเตอร์ดูชอ่องท้องที่คุณหมอตัดอถุงน้ําดีไปอ่ะค่ะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องทานอยู่เจ้าค่ะยังยังท้องเสียอยู่เหมือนเดิมเจ้าค่ะก็คุณหมอบอกว่าตัดอถุงน้ําดีไปแล้วแต่ว่าให้มันมันยังท้องเสียคุณหมอบอกให้ให้ไม่ทานอาหารที่เป็นของมันๆเจ้าค่ะแต่ว่ายังเป็นอย่างเช่นอ ถือศีลแปดเนี่ยเจ้าค่ะเอ่อพอเหมือนท้องว่างๆโล่งๆเช้าเช้าของวันที่ออกจากศีลแปดนี่ก็จะมีอาการท้องเสียทั้งวันเจ้าค่ะอันนี้ถ้าเกิดดูดูขึนไปแล้วอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วมันจะเสียก็รู้ว่ามันเสียมันไม่เสียก็มันก็เป็นไปไหนหายเปแลานี้จังไปเจ้าค่ะลอย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่เสียมันจะเสียก็รู้ว่ามันเสียไป เจ้าค่ะลูกไม่ทุกเจ้าค่ะเรื่องนี้ลูกลูกติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องเรื่องนอนเจ้ <c oughs> าค่ะนอนนอนมากเลยเ <L uk> จ้าค่ะลูกเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนลูกก็มีปฏิบัติธรรมฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนอนนี่ลูกนอนนอนนอนเยอะจริงๆเจ้าค่ะมัน ม, <L un> มันง่วงง่วงยืนทํางานอยู่ยังยังหลับก็มีเจ้าค่ะมันติดอยู่เรื่องนี้เจ้าค่ะอนอนไม่พอหรือว่ามันไม่ นอนเยอะจ้ค่ะนอนเยอะนะนอนเยอะลูกเคยสังเกตนอนน้อยลูกก็มีอาการไม่ดีอาการไม่สบายตัวถ้านอนเยอะลูกก็ก็ก็ง่วงลูกก็พยายามสังเกตดูตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะก็ถ้ามันมันมันไม่เป็นปัญหาก็ก็ปล่อยมันไปเจ้าค่ะก็อยู่กับมันไปทําไงจด้ ม่วงนอนไม่ม่วงนอนนอนเย็นเมื่อวนงถ้าถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วนะเจ้าค่ะออย่าไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะลูกว่าลูกก็มีพัฒนาการอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะเรื่องเอฟังธรรมะของพระอาจารย์เมื่อตอนที่ไปขึ้นเขาตอนนั้นก็เป็นเทปเทปเอเทปธรรมะของวันที่ยี่สิบธันวา 62นะเจ้าค่ะลูกฟังธรรมะแล้วลูกเข้าใจว่าปัญหาตรงที่พระอาจารย์เทศว่าปัญหาแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ลูกก็ก็เข้าใจค่ะคือก่นนกอน น, นั้นกฟังก็ต้องอยู่ก<อ>ับม<อ>ันไปเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ก็ฟังเรื่อยๆเรืยๆแต่ไม่เข้าใจแต่ครั้งนี้คือไปแล้วคือคือเข้าใจเลยเจ้าค่ะ<ไ>ตอนที่มีทุกข์อยู่ก็หมดทุกข์เลยเจ้าค่ะเบาเลยเจ้าค่ะ <c oughs> ลูกพอพยายามจะแก้ในสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เจ้าค่ะนะเจ้าโอเคลูกก็ติดอยู่เรื่องนอนเนี่ยเจ้าค่ะก็นอนไปไม่ต้องแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไมัน้องแกก็นอนไปเดี๋ยวนอนเยอะๆมันก็เบื่อเองนะก็นอนให้มันนอนทั้งวันทั้งคืนอยู่แมัอยากจะนอนเจ้าค่ะนอนจนเบื่อเลยก็ได้เรื่องกินนี่ลูกไม่มีปัญหาเจ้าค่ะลูกกินก็ได้ไม่กินก็ได้เจ้าค่ะลูกไม่มีปัญหา เรานอนให้มันนอนเต็มที่เลยเราอยาามันเบื่อเลย <laughs> แต่ว่าแต่ว่าตอนไปที่ปฏิบัติธรรมบนเขาที่ไปหกคืนที่ ท, ที่ที่ไปที่ผ่านมาที่ได้เรียนพระอาจารย์ไปเจ้าค่ะลูกลูกเดินจงกรมเยอะลูกลูกรู้สึกว่าไม่ง่วงค่ะนั่งนั่งสมาธิไม่หลับเจ้าค่ะ ต, ต้องเดินจงกรมเยอะๆกว่านั่งเจ้าค่ะถ้ารู้ว่า ถ้ามันอยู่ที่เปียวที่น่ากลวมันก็จะไม่ค่อยมุ่งเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ลูกก็ถ้านั่งสมาธิแล้วลูกรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้กำลังจะคิดหรือว่ากำลังม่วงนี่ลูกก็ก็หยุดเลยลูกจะไม่นั่งต่อเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนลูกก็ก็จะจะนั่งแล้วก็จะหลับเหมือนเดิมแต่ตอน <c oughs> ตอนที่ไปครั้งที่แล้วคือลูกก็จะจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมเลยเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ด, ปดปีปฏิบัติไปเรืเร่อยๆมันจะเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่ออแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ก็ก็เทียบกับกับที่วัดกับที่บ้านไม่เหมือนกันเฉพาะที่บ้านนี่ไม่ได้ <c oughs> พยายามทําบ้านให้เป็นวัดอยู่เจ้าค่ะเพราะว่าบ้านถ้าถ้าคนที่บ้านไม่อยู่ก็เหมือนก็อยู่คนเดียวก็พยายามอยู่เจ้าค่ะอืมพยายามอยู่เงียบๆทําได้ก็ทําไปนะทําไม่ได้ก็ต้องไปหาที่สมอง ก็บางทีก็คนรอบข้างก็ชอบขัดเหมือนกันเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะนี้ก่อนนะเจ้าค่ะน้อมกราบขอพระคุณเจ้าค่ะอะไรที่คนจิบต่อจิบทํางานอยู่เหรอคะธรรมาจะกันก่ะพระอาจารย์วันนี้ลาหยุดค่ะถูกตายเัินเดือนน้นระวังเนี่ยแอบว่าไม่ไม่ค่ะไม่คะวันนี้ลาหยุดค่ะพระอาจารย์พอดี ลูกๆอ่าลูกๆเขาหยุดวันนี้ค่ะแล้วก็โยมก็เลยเออวันนี้ออฟฟิศไม่ค่อยยุ่งก็เลยจะลาหยุดมาแล้วเป็นแจวที่บ้านค่ะเพราะว่ามีผ้าห่มต้องซักผ้าเจ็ดตัวผ้าหม่มผ้าอะไรสารพัดเลยป้าชาน mm hmm. ช่วงนี้มันหน้าหนาว mm hmm. ก็เลยห่มผ mm ้ากันใหญ่ก็เลยโยมแม่ก็เลยโอเคงั้นลูกหยุดก็ดีแม่จะได้เอาลุกงมาเป็นลูกมือช่วยในบ้านค่ะ <Okay. S 2> ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ พระอาจารย์คะยมถามนิดนึงได้ไหมคะถ้าเราจะวางใจยังไงคะถ้าเราต้องสมมุติคือเราเห็นเพื่อนโยมเป็นทุกข์มากเลยที่เขาแบบเป็นหนี้จากค่ารักษ า, ษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันเหมือนกับประกันที่นี่มันค่ารักษาพยาบาลที่มีการแพงมากเลยคะ่ะขนาดเพื่อนยมไปเข้าเออารเข้าอะไรส่งบินมามันสองหมื่นกว่าเหรียญเลยพระอาจารย์เลยแบบ จะตอบเพื่อจะคือคนเราถ้ามีแบบนี้เป็นนี่เป็นอะไรอย่างนี้ทางการเงินเราควรจะวางใจยังไงดีคะพระอาจารย์ก็ติด ค, กนะกคุกยอมติดคุกยอมล้มละลายไหม <c oughs> มี่ะไรก็คือก็คือปล่อยยอมหยุดเย็นแบ<ห>บ<ห>ที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมคะถ้าทำอะไรไม่ได้กนะ็ต้องยอมคือเหมือนอ<ว>กับว่าเอาใจหนึ่งเราก็ต้องรักษาชีวิตใจหนึ่งเราก็เอามันก็ชก็ชีวิตสํามัญหย่านเงินนะฮะตลาดทรัพยเพื่อรักษาชีวิตค่ะใช่ตลาดชีวิตเพื่อรักษาธรรม เพืรักษ า, าใจรักษาใจอย่าไปทุกข์กับอะไรถ้าอย่างเราติดทุกข์ก็ติดคทุกข์ถ้าอยางล้มละลายก็ล้มละลายไปอ่าก็คือล้มก็ไม่เป็นไรก็มันก็คือเหมือนกับมันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นใช่ไหมคะอะอย่าทํำไงเ<ะ>มื่อเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปตปามยถากรรมค่ะแล้วอย่างนี้ถือว่าเราบาปไหมคะสมมติว่าเราเอาเงินเราไปรักษาพยาบาล แล้วเราไม่ได้ใช้นี่แล้วเราถือว่าเราเราแต่เรายอมล้มละลายเราเป็นบาปเนี่ยคะพระอาจารย์อหรือว่าเรายอมใช้ด้วยกันก็เรายอมใช้เสียเชื้อเสียงไปแล้วแต่เราไม่มีใช้ไม่ใช่เราไม่ใช้เรายอมใช้แต่ไม่มีใช้ไม่บาปก็ไม่ใช่ก็มันอยู่ที่เจตนาใช่ไหมถ้ามีเงินแล้วไม่ยอมใช้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเย่าบาป ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะทํ า, า ย, ยังไงยอมใช้อยู่แต่เมื่อมีจะใช้ให้ทำยังไงใช่ค่ะก็คือมันอยากจะใช้ค่ะแต่ว่าในเงินท้องบะคังไม่มีมันก็มันก็ยังเงี้ยนะคะชีวิตเนี่ยยอมยอมเห็นว่าพระอาจารย์บอกว่าพูดถึงอนาคามียอมก็แบบอ <c oughs> ืกว่าเราจะไตยย่ก็มันได้ขึ้นมาสเตปขึ้นไม่ถึงสเตปนั้นนี่แบบอืมันพอมีเรื่องมาทุกมันมนุษย์นี่มันทุกข์ได้ทุกวันจริงๆค่ะพระอาจารย์แต่ในที่เรามีกายสังขารนี่ยอมแบบ อ๋อให้เดี๋ยวก็ปวดกระดูกเดี๋ยวก็ปวดอะไรก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์โยมก็พยายามปฏิบัติถ้านั่งไม่ได้โยมก็จะแบบว่าก่อนจะนอนก็จะแบบว่ากําหนดแบบมองลมหายใจพุทโธไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ค่ะก็จะพยายามพุทโธให้บ่อยๆก็วันนี้วันตรุษจีนก็ก็ขอให้ทุกคนพระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะคะ ไม่รู้จะต้องโชคดีรวยรวยเฮงเฮก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ก็พได้ก็ดีค่ะแล้วแต่สวรรค์เมตตาถ้าพูดแล้วมันรวยได้ก็ดีไม่ต้องทำอะไรกินกินใช้ไหมใช่ถ้าเอาคําพูดของเราแต่ละคําแต่ละคําเป็นหนึ่งดอลลาร์นิยมคงรวยเป็นพันล้านโอเคค่ะค่ะพระสันท์รักษาท่าขันนะคะการนมัสการพระพ่อเงิน่ากวันอะไร ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นไปเลยนะจ้าค่ะโอเคคุณสรินทอนเชน อ, อยู่บ้านเหมือนกันนะวันนี้หนูอยู่บ้านคะ่ะแต่ว่าหนูหนูทำงานคะ่ะแต่ลูกเดี๋ยวหนูจะพาลูกไปถอนฟันนะคะก็เพื่อนเขาก็บอกว่าถอนฟันคุดนะคะเพื่อนเขาก็บอกว่าเยลยเพราะว่าต้องฉีดยาเยอะเดี๋ยวลูกเขาจะเบร์เบร์ฉะนั้นเนี่ย ถ้าขออะไรลูกได้ให้รีบขอตอนที่เขายังไม่รู้เลยดูว่าอย่ดูดูว่าให้เขาช่วยทําอะไรแต่หลายตอนที่เขาไม่ค่อยยังเบอ ร, เบอร์เบอร์อยู่ mm hmm. ค่ะห น, หนูหนูก็ไม่มีอะไรค่ะหนูก็เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะมารับกําลังใจเหมือนกันค่ะโ <Okay. S 2> อเคกำลังใจก็อยู่สติอยู่ที่สติปัญญาเนี่ยนะองตัวทติใจปัญญาก็หนูฟังาจากจากกัลยาณนะมิตรท่านอื่นๆเราก็รู้เลยว่ามันมันต้องรีบปฏิบัติแล้วอะค่ะมัน mm hmm. จะไม่ทันแล้วอะค่ะเราทั้งชีวิตเราจะทําได้แค่ไหนกันเชียวก็ต้องรีบอะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่กำลังใจค่ะตัวคุณปูเป้ยังไม่ไ้เปิดใหม่เลยกับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะอ่าได้ยินแล้วค่ะพระอาจารย์คงหนูก็รุ่ยทำข้อสอบตอน ปีนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูผลค่า MRI สมองนะคะเพราะว่าคุยกับคุณหมอเตรียมผ่าตัดกระโหลกรอบที่ห้าค่ะพอาจา์ตัวเนื้งอกยังไม่หายเลยอ๋อมันมันมันมันยังมีอยู่ค่ ะ, คะตอนแรกเหลือแท่เปลือก่ะคะแต่ว่าถ้า ง, งอกมันกำลังค่อยคยงอกขึ้นมาใหม่ค่ะพีาจาย์ mm hmm. ก็หมอ ก, ก็มองว่าถ้ามันยังงอกขึ้นมาอีกก็คือเปิดกระโห ล, กลก อ, อีกแล้วก็เอาออกเลยเจาย้าค่ะ แต่ไม่เป็นอะไรเนื้อเนื้อเนื ง, นงอกธรรมดานะธรรมดาค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันมันเหลือเปลือกแต่ว่ามันเริ่มงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องอเอาออกรอบเป็นรอบที่ห้าค่ ะ, ะเปิดรอบที่ห้พระอาจารย์ก็แล้วแต่หมอเขาว่าแล้วกันนะก็แล้วแต่หม อ, อหนูก็เลยโอหนูก็ได้ข้อสอบอีกรอบรอ่ะค่ะพระอาจารย์อ่ก็ดูว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะทุกอยใช่ค่ะ ถ้าไม่<ร>ทุก<ค>ก็ผ่าน ถ, าถ้าทุกก็ไม่ผ่านแล้วค่ะก็เลยรุยต่อค่ะพระอาจารย์โอเคก็ให้หายดีนะพระสาทุกนี่าโอเคคุณพภิชัยมาจากที่ไหนคุณนภิชัยนอ้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับ อยู่ที่ไหนอ่าที่พักที่ทํางานปัจจุบันอยู่นนทบุรีครับแต่ว่าบ้านเกิดตามสํานองทะเบียนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดครับอืมอปัจจุบันก็พักอยู่นนทบุรีอยู่ครับมาตำงานที่นนทบุรีนะใช่ครับมีอะไรไหมมีอะไรกระถามไหมไม่มีครับ ม, ม, มารวมปังทําไปเลยนะครับโอเคสาัุถูครับ อคุณลูกตากคุณแม่วันนี้อยู่ท้ายคิวเลยท้ายแถวเลยงานวัน ก, การ์งานวัน ก, การ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาช้าค่ะอ่าได้ฟังอยู่นะฟังค่ะโอเคไม่มีอะไรนะเดี๋ยวมีหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์อถามเลยวันนี้คุณแม่พาไปเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระ ย, ยะสุดท้ายค่ะจริงๆหนูไม่อยากไปเยี่ยมแบบนี้เพราะว่า ใจิตใจหนูยังไม่ไม่ค่อยได้พอดีวันนี้ไปเพราะว่าจะหนิดกันพอหนูไปลแล้วเนี่ยหนูแบบใจิตใจมันบอกไม่ถูกค่ะอาจารยแบบ์หนูแบบหนูหนูแบบปล่อยผ่านไม่ได้เลยค่ะมันติดอยู่ที่ใจร่างกายระ ย, ยะสุดท้ายกับรู้สึกว่าการเปลี่ยนผ่านที่จากความเป็นความตายมันมันน่า ก, กลัวค่ะแล้วมันก็มันดูยากมากเลยคร่ระอาจารย์ เราไม่เข้าใจความจริงความตายเป็นแค่เหมือนกับการไปนอนหลับไปเท่านั้นเองหลับไม่ตื่นขึ้นไม่มีตายไม่กลับดังนั้นอ่ะอาหมดลมหายใจก็เหมือนนอนหลับไปที่มมไไนนนทรมานเพราะความอยากความกลัวความกลัวความตายถึงว่าที่จิตเขาไม่สงบและทรมานนี่ใช่ไหมคะใช่มันทรมานที่จิตเพราะจิตมันไปปรุงแต่นไปเครียดไปไม่อยากตายขึ้นมาไม่อยอมตาย แต่ถ้า mm hmm. ยอมตายแล้วจิตก็สงบเหมือนเราเข้าสมาธิแล้วนั่งสมาธิไปไม่มีอะไรแล้วใจค่ะและในระยะท้ายที่ที่แบบที่จะไปแล้วแบบนี้ค่ะแล้วญาติเอาเอาเอาหูฟังที่แบบฟังบทสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมแบบนี้มันช่วยได้ไหมคะก็ถ้าเจ้าเขาไม่สงบ ก, ก็สายเสีย ง, งอันานี้ทำให้สงบเลแต่ถ้าเขาฟังก็ไม่รู้เรื่อง ก็อาจจะน้าแต่เขาแหะถ้าเขาต้องการเงินก็ก็คุณอย่าช่วยได้ถ้าเขาไม่ต้องการก็อย่าไปบังคับเขาเลยอยู่ที่จิตเขาใช่ไหมคะถ้าก็ไม่ฝึกเขาไม่ฝึกมาก่อนก็ไม่ฝึกไหวยพระสวดมนมาก่อนไอ้ก็ฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่สามารถทําให้มันสงบได้ค่ะขอบใจจ้ะอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรให้เขาต้องการเปิดธรรมะของครูบาอาจารย์ให้ฟังหรือเปล่าหรือต้องการฟังบทสวดมนต์ เลยเขาต้องการความสงบไม่อยากให้ใครมายุ่ง เ, เขาบ่อยเขาอยู่ตามลาพังก็ให้เขาอยู่ตามลาพังไปพอดีช่วงมุที่ไปตอนนี้เขาสื่อสารไม่ได้แล้วคะ่ะด้วยแต่เลิบตามมองแล้วก็แบบอื้มกนแล้วก็มีเลือดออกตามในป่าเราก็อย่าไปรบกลนขึ้นมาอะไรไปสแสดงความเสียใจไปเป็นความหงอ ย, ยให้เขาเห็นหน้าเห็นตาแล้วเราก็ลากลับก็พ อ, อก็อยู่แค่ประมาณสองสามนาทีคะ่ะแล้วหนูก็ก็ออกมาออื ให้เขเห็นว่าเรามีความห่วงใยมีความเมตตาความสงสารให้กำลังใจเขาแต่วิธีจะช่วยเขาได้จริงๆต้องฝึกตั้งแต่ก่อนที่เขาตอนที่เขายังไม่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช้นตอนนี้พวกเรากนจะมาฝึกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันให้มากๆพอถึงเวลาก็าจะได้ึกทําใจให้เฉยๆได้ก็จะไม่ทร ม, มานหนูไปเจอวันนี้แล้วหนูก็คิดว่าหนูก็คงต้องเล่งเพื่อแบบคือ แล้วหนูก็ยังไม่มีโอเบตานเลยยังยังไม่สงบที่หนูเป็นที่หนูเป็นแพนิกมาจนทุกวันนี้มันก็เจอเจอแบบนี้แล้วหนูก็แบบทําใจไม่ได้ค่ะอีขนาดว่าดีขึ้นแล้วนะคะพยายามสอนใจทุกวันนะที่จ่าแม็กกาจัดที่บอกเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันธรรมดาอไปเรื่อยๆใจมันก็ค่อยๆ ย, ย, ยอมรับเข้าไปที่นะิดเดียวหน่อยต่อไปมันก็จะเฉยได้ โอเคนะคุณค่ะจะว่าคุณชนะดาจะ <c oughs> วันพรุ่งนี้ใจบาดหรือเพรุ่งนี้ไปเวียดนามค่ะอาจารย์เอาวียดเอาไปไกลเลยนะ <c oughs> ไปพาลูกค้าไปเที่ยวค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะรอบนี้จะเสริมเรื่องพาลูกค้านั่งสมาธิด้วยค่ะพระอาจารย์ไปเที่ยวด้วยนั่งสมาธิด้วยแล้วมันเจะ นิดนึงค่ะพรอาจารย์มันจะไปกันได้เลยแต่ก็ไปลองลองดูค่ะพรอาจารย์ไหนๆก็ยันไหนแล้วไหนๆอุตส่าห์พาเขาไปแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะลองเสริมดูค่ะที่พรอา <ไป S 1> จารย์ <ไป S 1> บอกว่าไปกี่วันไปแค่สามคืนสี่วันค่ะพรอาจารย์สามคื่วันได้ค่ะไ ป, ไปทางไหนท า, ทางเหนือหรือใต้ไปกลางค่ะพรอาจารย์ขึ้นข่ะไปบานาฮิวค่ะพรอาจารย์ ไปเรื่นําไปค่ะพระอาจารย์เป็นการให้ incentive เขาให้รางวัลเขาใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่หนูก็เลยไม่ได้ไปใส่บาทที่นี่สายออนไลน์ได้ฝากไมาเข้าสายออนไลน์ได้ได้ค่ะคระอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะโทรโทรไปสั่งก็ได้ไหมน้องได้ค่ะพระอาจารย์ไม่ได้อือฮ่าฮ่าจะได้วิเสียทรัพ์สัทค่ะพรอจานะค่ะได้ค่ะออืก็ค่ะเดี๋ยว เดือนหน้ารู้ว่าจะลองไปลองไปค่าลองลองไปอสุภัสักเจ็ดวันค่ะพระาจางเที่ยงแล้วที่นี้กลับมาค่ากันเลยต้อ ง, งเดี๋ยวนี้ใจยากเงินจะเนี่ยเราพาไปเที่ยวเนี่ยต้องพามันมา <c oughs> จริงค่ะพระจางยังขาดกับมันไม่ได้ค่ะพระจาง แล้ขังมันทะเมันจํามันขังทะเลาะเวลาก็มันก็ไม่ยอมไงต้องปล่อยมันวางไงต้อง่าไปเที่ยวเราไม่ได้ไปเที่ยวเราเราพากิเลสไปเที่ยวกิเลสมันอยากไปเราไม่ได้อยากไปหรอก <c> ต <oughs> า, าพระอาจารย์กิเลสมันไม่รู้จะบอกว่าไงค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ถ้าไม่มันมันเด็ดขาด ก, กิเลสถ้าไม่พาไปเที่ยวเดี๋ยวมันงองแงมันมันจะสร้างความารำคาญให้กับใจเรา เราก็ต้องพาไปเที่ยวมันต้องเหมือนต้องบวชบวชให้สิ้นซากอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ถ้าไม่บวชมันก็ยังจะวนเวียนอยู่เนี้ยลูกว่าใช่ยายาลูกลูกรู้ซึ้งเลยค่ะรู้ซึ้งเลยค่ะว่ายากจริงค่ะพระอาจารย์บางอย่างนึกว่าบางทีเหมือนได้แล้วแต่จริงไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย์และยังวนเวียนยังเหมือนจะวนตัวแบบเชี่วเข่าได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะพระอาจารย์ลูกรู้ซึ้งเลยค่ะอืมโอเคนะ ค่ะค่ะพระอาจารย์ไปดีมาดีนะน้อมกลับค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณเอิง<ม>ต่อเอิงอยู่ที่ไหนอยู่บ้านนะยังไม่ได้เปิดนะม่ยังไม่ได้เปิดอ่าเปิดใช่ค่ะจาดนวัสการ์ค่ะพระอาจารย์สุชาติอาทิตย์ที่แล้วเอิงพยายามเข้ามาแล้วค่ะแต่กำลังเดินทางจากสาวัตถีไปพารณสีค่ะ ที่อินเดียก็เลยไม่มีสัญญาในการคุยกับพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงไปเที่ยวอินเดียนี่มีก็<ม>ไปไปถังวีค่ะพระอาจารย์เห็นมีโนตายเหทำไมเองอยากจะบอกว่าเอิ้งรักพระพุทธเจ้ามากค่ะแล้วก็<ม>ได้เห็นเหตุและปัจจัยได้ฟังเรื่องต่างๆที่ตามพระไตยปิดกอะค่ะว่าแบบคนในพุทธการเขาทำอะไรถึงมีเหตุปัจจัยได้ไดเจอพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมค่ะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากแบบอยากมาบอกพระอาจารย์วันนี้ค่ะก็คือที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากกับปวัตนะสูตรนะค่ะที่ได้พระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทําให้นึกถึงแบบพระอาจารย์สุชาติหนึ่งในนั้นด้วยค่ะาแบบเอองดีใจมากเลยที่วันนี้แบบเอองได้เจอพระอาจารย์เอ่อเอองได้เจอพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแบบให้เอองได้เดินได้ถูกต้องอ่ะค่ะครับพระอาจารย์ ก็ไม่ต้องไปถึงพระถึงทั้งอินเดียใช่ค่ะริงไม่ต้องถึงเลยแต่ว่าได้ไปส่ออย่างเดียวอยู่เมื ง, งไทยก็มีเยอะแยะไปหมดนะยใช่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนมีโอกาสได้ไปค่ะเอองมีมีคนแบบว่าเมตตาเอองแล้วเอองก็ได้ไปด้วยเหตุปัจจัยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าเอองจะต้องไปอย่างนี้ยค่ะะอาจารย์แล้วมีมีคนช่วยบรรยายสถานที่ให้ฟังความเป็นมาต่างๆนะ ใช่ค่ะท่านชื่อพระคูอินเดียค่ะเป็นเป็นชาวอินเดียเลยเป็นชาวไทยที่ไปอยู่ที่อินเดียค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ไปทักตามมัดต่างๆนเวลาที่เราไปใช่ค่ะอืมดีดีค่ะอาจารย์ไปครั้งแรกที่ไปไม่กไปหลายรอบแล้วเออไปครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วค่ะโอ้แสดงว่าติดใจนะ ใช่ค่ะมีเหตุและปัจจัยให้เอิงได้ไปด้วยค่ะพระอาจารย์ทีนี้อิงก็เลยตั้งใจว่าอึงอิงเรียนจบบุรงคดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยจะเรียนต่อมาคุตเทศแล้วอยากเป็นมาคุเทศสายสังเวชนีค่ะโอเคดีแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะที่พระอาจารย์คุยที่ต้นชั่วโมงเรื่องแช GP t GPT อะคะ่ะองเคยถามด้วยนะคะว่าแชท GPT สามารถไปนิพพานได้ไหม เขาตอบเอิงว่าทุกคนนิพพานได้ใช่พิพิธี<ๆ>ตอบเอิงอย่างนั้นได้ก็ถูกนี่ทุกคนไปได้แต่ต้องปฏิบัติทั้งใช่สาับพอาจารย์ไม่ได้อยู่ว่าเป็นเพศเป็นพระหรือเป็นโยมหรือเป็นฆราวาสทุกคนถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปได้ครพระอาจารย์วันนี้ก็ <Okay. S 2> มาพูดคุยกับพระอาจารย์เท่านี้ค่ะ ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมถึงแล้วค่ะพอาจารย์อกสเกสรเดียิเที่ยงอะไรไม่ได้มากับพี่พี่ภูมิก็พี่ภูมิเขาพาคนะมาอ๋อใช่ค่ะได้เห็นภาพอยู่เหมือนกันค่ะพอาจารย์เ ข, เ, ขเขาทาอะไรนะเรงินถามว่ากลุ่มนี้เออเป็นโครงการที่พาคนเอ่อไปใส่บาตรตอนเช้าคะ่ะอ๋อแล้วก็พอเสร็จแล้วเหมือนเขาไปทําความสะอาดที่วัดยาณด้วยคะ่ะและตอนบ่ายมาฟังเทศที่น้ากุติด้วย ใช่ค่ะจะได้ครบเลยทั้งทานศีลภาวนาค่ะอในทงางจิตอาสาเนี่ยวันนี้พี่ภูมิไม่มาอมโอเคไว้เจอกันใหม่นะจา อ, อ, อาจารย์ตัดนามสการค่ะเชิญคุณนัฐพลต่อคุณนัฐพล นัทพลได้ยินไหมครับนัสการธยมชาวาจารศิชาครับอยู่ที่ไหนเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาฟังธรรมนะครับอยู่กรุงเทพครับพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมพอดีมีข้อเกี่ยวกับสงสัยเกี่ยวกับธรรมอะไรนะครับอ่าถามเลยถามได้เลยครับผมเอ่อจากการศึกษาครับผมจากการศึกษาธรรมะมาครับพระอาจารย์ผมผมสงสัยเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอาอริยบุคคลแปดจำพวกครับพระอาจารย์คื อ, อมีตั้งแต่โซดาบานสกิทาคามีอน า, าคารมีและอรหันนะครับเออในแต่ละแต่ละครับผมแล้วก็สงสัยว่าแต่ละอริยบุคคลนะครับมีครับอริยบุคคลก็จะมีมรรคกับผลนะครับพระอาจารย์อย่างโซดาปฏิมรรคกับโสดาปฏิผลนะครับก็เหมือนกับเวลาที่เราจะปรั ญ, ญญาเนี่ยปัญญาตีตทอเองเนี่ย ก็มันเราก่อนจะจบเราต้องเรียนก่อนใช่ไหมเช่นเราอยากจะได้ปริญญาตรีเราก็ต้องไปเรียนสี่ปีใช่ไหมก็เหมือนกันการเรียนสี่ปีก็คือมัลค์มัลคของปริญญาตรีพอเรียนจบก็ได้ผลงั้นโสดาปฏิมากรก็ต้องมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาละกิเลสละสังโยชน์สังข้อได้ก็จะได้ได้เป็นโสดาบันไดได้ผลอยู่มาโสดาบัน คราวนี้ครับปฏิบัติถึงขั้นไหนครับเราปฏิบัติถึงขั้นไหนถึงเรารู้ว่าเราอยู่ในในมรรคแล้วอ่ะพระอาจารย์ก็อย่างเช่นสินแล้วต้องบอยสุทธิ์ไงถ้าเป็นพระนี่เร<อ>าก็ไม่ไม่ผิดสินเลยถ้าเป็นโยมก็ไม่ผิดสินสินห้าสินแปดนี่ไม่ผิดเลยแล้วก็นั่งสมาธิเข้าฌานอันจิตรวมครับครับออแล้วเข้าใจเห็นว่าเป็นไม่มีตัวตนเป็นอนิจจังทุกข์อนัตตา อันนี้ก็จะได้เป็นมร์เพรได้มรคมบริบูรณ์ก็ได้ผลก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอ๋อครับแล้วอาไปขั้นต่อไปขั้นสกิณาคางก็ต้องไปเจริญมร์อีกสองข้อเจริญปัญญาสองข้อก็คือไวรากิเลสสองข้อคือตามาราคะกับความเห็นอื่นอันนี้ก็ต้องใช้การเจริญอสุภะพิจารณาให้เห็นอสุภะนั่งกายไม่สวยไม่งามไม่น่านดู น, า น, น่าชม ก็จะละก็จะทําให้เบาบางลงได้ก็ได้ขั้นที่สองได้เป็นภระสกิลาคามีทําให้การมาลาค้ากับอารมณ์นี้เบาบางลงไปเพราะเวลาเรามีความละมีการมาราคา้าพอเราเนกถึงพระสุภาษสุภาษมันจะทําให้การมาลาค้ามันระงับไปแต่างบางทีเรา ย, ยังเผลอเรา ย, ยังไม่ได้เห็นตลอดเวลาบางทีไม่มีสุภาษมันก็ทําให้เกิดการมาลาค้าขึ้นมาได้ใหม่ เราก็ต้องไปขั้นที่สามจลาจรกรรมว่าจลาหลังสุภาพตลอดเวลาจนกระทั่งไม่ไม่ลืมเลยเห็นตลอดเวลาว่านั่งกายเปน็นอัศวะมันก็จะหยุดการมารคาได้อย่างเต็มที่คางวุน่นวิ่งก็จะหายไปมันก็จะบรรลุขั้นที่สามขั้นอนาคธัมมีอืมครับครับคราวนี้ครับอาจารย์สงสัยอีกเรื่องก็คือเอการบรรลุเป็นสดาบันนะครับ จะจะต้องละสังโยสมามีสักยะทิจิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลและพะตตประการมากนะครับ<อ>สงสัยข้อสองครับออ่วิจิกิจฉ า, า, าครับอาจารย์ความรามักเลยสงสัยส<ง>พระพุทธศาสนาสองว่ามีจริงหรือเปล่าพอเราปฏิบัติเป็นรนุเป็นพระสงดาบานันเราก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเ่เห็นดวตาที่เราทุก<ต>ข์กากความอยากครับแต่ไม่เกี่ยวว่า คราวนี้ยพอไปดูลึกๆครับอย่างโสดาบันก็จะมีสามประเภทอีกอีกแล้วคราวนี้สงสัยว่าแต่และประเภทเนี่ยอะไรที่ทําให้กิเลสอะไรที่ทําให้ต่างกัน<ร>อันนี้ถือว่าสส ย, ยังเป็นวิ <ไป S 2> จิตรฉาไหมครับพระอาจารย์ไม่แล้วตอนที่เร า, าเราเราอยากจะเรียนรู้ไม่ได้วิจิตรฉาอวามนั่นในสงสัยในพระพุทธภาษประสงค์เราไม่มีนี่ก็จบแล้วอย่รงนั้นได้ครับพระอาจารย์ ที่คราวนี้ข้อสุดท้ายครับพระอาจารยเ์เคยคุยกับพระพระบางท่านนะครับท่านบอกบอกว่าเวลาเราเ อ, อปฏิบัติธรรไปเรื่อยๆครับให้ปฏิบัติตามอริยมรยมรยมมรรยมแปดเสร็จแล้วให้ปฏิบัติอาณาปานาสติอะครับคราวนี้ยปฏิบัติอาณาปานาสติไปเรื่อยๆแล้วสังโยชน์พวกสังโยชน์สามจะตามมาเองใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องกําหนดสังละสังโยชน์สามไปในตัวด้วยครับพระอาจารย์ คืออนนาวันสติก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดเป็นสัมมาสมาธิแต่ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้สังโยนหมดไปได้เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่จะช่วยทำให้สังโยนหมดไปตัวที่จะทำให้สังโยนหมดไปต้องเป็นปัญญาเห็นเห็นน่างกายว่าเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอืมครับคือต้องมีมรรคต้องมีทั้งครบองค์อะ ศีลก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาก็ต้องมีความเพียรก็ต้องมีอันหนี้งจะทำให้มรรคนี้ครบองค์ประกอบแล้วก็พอมีครบองค์ประกอบปั๊บมันก็จะสามารถลสังโยชน์ทุกข้อได้ไป็นหมดเลยตั้งแต่สิบข้อด้วกันทั้งโยชนมีอยู่สิบข้อเด้วยกันครับแสดงว่าถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคโยงแปดสังโยชน์ต่งางนะก็หมดไปไปค่อยๆหมดไปต่างจะหายไปเอง ก็มันก็พอแล้วรันขอบพระคุณอ่โอเคอาจารย์มันไม่หายไปเองเราต้องเห็นเห็นด้วยปัญญาแล้วมันถึงจะดับอ๋อครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์โอเคคนทวิศาอาจารย์อากสวิตช์อะไรกล่าวนวัสการ์ค่ะพระอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์แต่พอดี ช่วงต้นๆได้ฟังอของคุณดิษยาพูดถึงเรื่องอที่ที่ไม่สบายบินน้องงอกยมก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์ของยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์คือว่อาสัน้นๆได้ไหมครับสัน้นๆได้คพระอาจารย์คือน่าจะเป็นแนวทางให้คุณดิษยาแบบคลายกังวลได้อะค่ะคือประมาณห้าห้าปีที่ผ่านมายมก็ เจนอ ง, งอกในมดลูกค่ะพะอาจารย์คือก้อนที่ใหญ่สุด ก, ก็คือประมาณเจ็ดเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมดเจ็ดก้อน <c oughs> ค่ะแล้วทีนี้โยมก็ไปถาหมอหมอก็ตรวจหมอก็บอกว่าแนะนำให้ผ่าตัดมดลูกออกติดตอนใ น, นช่วงนั้นโยมก็ได้เข้ามาฟังผอาจารย์พอดีนะคะช่วงเดียวกันแล้วโยมก็คิดว่าน่าจ ะ, ะใช้ธรรมะสดของสดมุนนั่งสมาธินะ่าจะน่าจะ ทำให้จิตใจยมดีขึ้นแล้วก็คือเคยได้ฟังมาว่าน่าจะช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะยมก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทำการผ่าตัดแล้วก็ไม่ใช้ยาใดๆคับพระอาจารย์แต่ว่ายมก็ไปตรวจเกี่ยวกับมะเร็งใช้ m อ i มตรวจเขาก็บอกว่าแนวโน้มที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีน้อยมากก็คือแต่ว่าคือยังไม่จวดเจอแต่ว่าอาจจะอาจจะดำเนินการเป็นขั้นต่อต่อไปได้ คือหมอก็เลยแนะนำให้ผ่าตัดมุดลูกออกเลยทั้งคำมุดลูกแต่โยมก็เลยไม่ไ ม, ไม่ผ่าตัดแต่โยมก็ใช้การสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เช็คต่ อ, ต อ, ตอทุก6เดือนแล้วก็1ปีปรากฏว่า1ปีผ่านมาโยมก็ไปเช็คหลังจากก็คือมันหยุดคงที่ไม่เจริญเติบโตแล้วก็ยุบลงเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยุบลงเลยตอนนี้ก็เช็คๆทุกๆปีก็เลย อยากเล่าประสบการณ์ให้คุณนิสยาฟังค่ะว่าถ้าเกิด ช, กช่วงนั้นยงก็ก็ทําสมาธิ<ม>คือปฏิบัติเข้มไม่เหมือนตอนนี้นะคระอพรารยตอนนี้ก็ยังยงคือช่วงนั้นทุกข์บอกมีเงนก็ยังไม่ขยนันถ้ามีความทุกข์มันก็จะขยันมาใช่ <laughs> พระอาจารย์พูดถูกค่ะแต่ตอนนี้ก็ทุกแต่ก็พยายามจะให้วินัยคือกิเลสมันก็มาเยอะมากค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดแบบเลืมไปเลื่อจับข้าได<อ>้ป่วยไป ค่ะลืมลืมลืมเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีเรื่องอางานเข้ามาก็เลยเผื่อเป็นแนวทางให้คุณดิศยาได้ได้ได้ใจ้ฟ<ด>ังาจะเล้าจะเลือกไว้รักษาก็ได้อาจจะมันอาจจะไม่ลรำฟังก็ได้มันอาจจะใช่ค่ะนิ่งก็คือไม่มีอะไรหรืออาจจะป่อไปเองก็ได้ค่ะใช่<ะ>ใช้ยารักษาใจไปใช้ยาโอโซนรักษาใจไปอย่าไปทุกข์กับมัน ใช่ค่ะพระอาจารย์ยมกไมไ็ไม่ได้ไม่ได้รับยาอะไรก็คือไม่ใช้ยาด้วยค่ะพระอาจารย์ตัดสินใจยอมไหวให้เป็นไปตามธรรมชาติถ้าถึงเวลาจะตายก็ให้มันตายไปใช่ค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นห้าปีที่ผ่านมาย ม, ยมยมคือได้ฟังพระอาจารย์ในช่วงนั้ น, นคือเริ่มช่วงเดียวกันยมก็ได้ทางของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศแล้วก็ใช้เรื่องนี้มาค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ผันผ่านก็เลยเออเผื่อเผื่อเป็นแนวทางของคุณติษยาแต่ว่าเราก็พยายามดูควบคุมอาหารด้วยอะไรที่แบบ มันไม่น่าจะให้ก่อให้เกิดทิศลุกลามไปแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงไปด้วยค่ะพระเจ้าดูการที ท, ทีที่เป็นเป็นประโยชน์ไม่เป็นทัยไม่เป็นภันยต่อรนะ่างกายค่ะคือไม่เป็นไรที่ให้ให้มันก่อก่อเนื้องอกขึ้นก่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูควบคุมอาหารไปด้วยแล้วก็สวดมนต์สมาธิแต่โยมก็รู้สึกรู้สึกได้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันแฟนตาซีเป็นหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าช่วงช่วงนั้นเวลา ช่วงทองเวลาเรานั่งสมาธิมันจะรู้สึกเย็นแล้วก็มันสบายแล้วสองสามปีที่ไปไปเช็คมันยุบลงยงก็ประหลาดใจบ้างจนหมอก็บอกว่าหมอก็ประหลายใจอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนความเครียดมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาพอเรามาฝึกสตินั่งสมาธิลดความเครียดลงอาการมันก็ลยลดตามได้เป็นไปได้ค่ะ โยมก็เคยเค ย, เคยฟังก็เออมันมันจริงเหมือนที่เคยฟังพระอาจารย์พูดว่าเหมือนมีพระที่วตัตาบ้านตัดท่านใช่ไหมคะนั่นนะคะใช่โยมก็ยกฟังเรื่องนี้เขยก็เออเผือนเราทางเราไม่เราไม่ตัดออกแล้วเราก็ไม่ใช้ยาค่ะโยมก็เลยเผื่อเป็นแนวทางให้คุณติสยา <ผม S 2> ได้ของท่านงท่านที่ไปโรงพยาบาลหมอหมอเปิดท้องออกมาแล้วเห็นว่ามันตัดไปทำอะไรไม่ได้ท่า น, นก็เลยบอไม่ทำดีกว่า ก็เลยให้ท่านกลับไปอยู่ว่าเตรียมตัวตายภาวนายังนั้นสติปัญญาสมาธิอาการกลับดีขึ้นมาไม่กี่ปีก็หายค่ะจัดค่ะค่ะยมได้ฟังเรื่องนี้ค่ะจากตอ น, นั้นยมก็ได้อเออจออังหวะดีนะจังหวะดีพอดีนะใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วยมก็เลยยมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผ่าตัดไม่ผ่าตัดแล้วก็ไม่ใช้ยาด้ว ย, ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ดูแลใช้ธรรมะโอสถ แล้วก็ปฏิบัติแนวทางอย่างนี้มาโยมกนเพื่อเล่าให้ฟังไงคะเพื่อคุณติศยาจะได้คลายกังวลทุกใจไบ้างตอนนี้อังนี้ท่สุดมันจะไม่ต้องไปโทษาอะไรอกับการรักษานะรักษาบางทีมันก็ไม่หายอยู่ดี ค, ค่ะเราก็อยู่กับมันไปแค่ตรวจดูว่าโอเคมันมันไม่รุกลามนะแต่คือตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยค่ะเรื่อง <Yeah. S 2> เรื่องเน mm hmm. ื้ อ, อ ง, งอกอะไรเงี้ยไม่ได้กังวลคือมัน อยู่มันก็อยู่ของมันไปออืจิตไม่อยู่ความเจ็บปวดได้ก็สบายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เราก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ยังแก้อื่นแล้วอื่นเข้ามาก็ยังแก้ไปทีละเปาะค่ะพระอาจารย์แก้เรื่องนี้ตอนนี้แล้วเรื่องหลังก็คือแก่เจ็บตานี่ะเป็นปัญหาหลักปัญหาอื่นแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรไม่สําคัญ ค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะ <c oughs> นี่เท่านี้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณในวิทยา <c oughs> ทานนะเผื่อการ <c oughs> ได้นฝั่งกันจะนำไปใช้คิดได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ด้วยขอบคุ ณ, คณนนอันนี้เข้ามาเกืแบบท้ายแถวกืแบบจะสุดแล้ววันนีคุณจ้าตามมาต่อไลยค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูวันนี้ด ว, วันนี้ขึ้นมาเชียงใหม่ค่ะเพิ่งมาถึงเลยค่ะ ไว้ด mm ีเลยหนูเลยมาเข้าซูมชา้าเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะวันนี้มาพก<ต>่<ข>อนเพื่มาทำงานพอดีว่าหนูมาบ้านที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเนะคะที่สนิทกันนะคะเขาเขาชวนมาคอร์สไอ้เผชิญความตายค่ะหลวงพ่อเคยได้ยินไหมคะเป็นของอเป็นของพระอาจารย์ภัยศารวิสาโลค่ ะ, ะก็คือเป็นค่ะเป็นกึ่งเหมือนคอร์สของที่เขาไว้ดูแลผู้ป่วย ่าระยะสุดท้ายอะค่ะพาลติฟแคทที่เห็นเขาเรียกกันอะนะคะก<า>็เลยเขาชวนมาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็อคอร์สแบบเป็นคนกันเองอะค่ะเหมือนเหมือนลงอพระอาจารย์ท่านเมตตาจะม า, มามามาสอนให้สอนธรรมะให้ไปด้วยอะคะ่ะที่ที่บ้านเพื่อนนะคะเป็นคอร์สสี่วันก<ม>็นเลยคนเยอะไหมเออเป็นเป็นเพื่อนๆนแอร์ด้วยกันเนี่ยค่ะประมาณยี่สิบคน อ่าแต่ก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าแบบเฉพาะคนคนรู้จักกันนะคะยี่สิบคนแอบเยอะอยู่หนูยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะปฏิบัติหนูจะจะได้ได้ได้ความสงบไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะดีอยู่เพราะว่ามีสอนเกี่ยวกับการอยู่กับผชิญความตายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็การรับมือถ้าเราไม่สบายอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอดีเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันวันนี้พอดีเลยนะใช่ค่ะหนูแล้วเอ๊พอดีตรงกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มคอร์สวันที่วันที่สองอะคะ่ะสองถึงห้าก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาก่อนมาเตรียมมาเตรียมบ้านมาอะไรไงะะเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกญาติธรรมเขาจะมาขอนอนพักที่บ้านด้วยอะคะ่ะก็เลยเหมือนกับว่าได้ทำบุญด้วยเปิดบ้านให้คน ที่จะมาปฏิบัติเขามานอนพักที่บ้านด้วยอะค่ะคงจะต้องนอนนอนนอนร่วมกันกินเล้กั น, น, กนใช่ค่ะคือคือแอบเป็นคอร์สที่ที่เหมือนกับก็ไม่มันไม่มั น, ไ ม, มน ไ, มไม่ได้เคร่งมากอะค่ะหลวงพ่ อ, อก็คือเหมือนการความรู้มากกว่าเช่นเรียนรู้<ช>า ม, มากก่าการปฏิบัติใช่ค่ะแต่ว่าก็จะได้พระอาจารย์ ภายสารท่านจะมาะเหมือนกับมาแทรกธรรมะเข้าไปให้ด้วยเงี้ยค่ะอาจจะมีให้นั่งสมาธิให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาธรรมะเข้าแทรกว่าถ้าถ้าเราต้องเจ็บป่วยก่อนตายเราจะวางใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ mm hmm. <c oughs> เลยได้ขึ้นมาเชียงใหม่รอบหนึ่ง mm hmm. ในรอบหนึ่งปีค่ะ <Amen. S 1> <c oughs> แล้วก็อยากจะขอ ขออนุญาตขอพรหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะวันมะรืนวันเกิดแล้วเจ้าค่ะปีนี้มีโอกาสได้ได้มาเข้าทางธรรมเลยอยากจะได้พรทางธรรมหลวงพ่อเป็นกำลังใจในการเดินทางปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะขออย่าให้ได้กลับมาเกิดอีกก็แล้วกันนะขอให้มีเวลาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะค่ะสาธุขอพระคุณเจ้าค่ะจะพยายามเดินต่อไปเจ้าค่ะ ยากหรือเกินเจ้าค่ะกิเลสกิเลสแล้วก็ความความทุกข์ความโกรธความอะไรนี่มัน<ก>มีทุกวันนี้เรียกถึงว่พาพระเจ้นานึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่นานก็ท่านก็เหนือยกับเราแต่ท่านสู้ไม่ถอยนะอะไม่ถอยใช่ไหมคะหนูยังสู้ยังยังยั ง, ยงสู้ไม่ไม่พอค่ะดูะตัวนิดนิดเดียวก็ท้อและแบบแต่ว่าก็ไม่ได้ท้อแล้วเลิกนะคะเหมือนถึงว่านิดเดียวก็ท้อแบบ้ย คงอีกคงอีกนานบอกตัวเองว่าคงอีกนานกุ้งรมไม่ได้สร้างไปในวันเดียวค่ะหนูค่อยไปเก่ออิดเอาอิดมาทีละก้อนค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะก้าวไปทีละก้าวยังเด็กก็ไม่ได้ก้าวเลยนะค่ะหนูก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยค่ะไม่ไม่ไม่โลภไม่กล้าโลภแต่ก็จะไม่ท้อค่ะได้ได้กําลังใจจากครูบาอาจารย์ตลอดเจ้าค่ะขอบพระคุณนะเจ้าค่ะ กลับนมัสการคุณจ้ายังอยู่ที่ปอแลนด์อยู่เลยกลั บ, บนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนูมาเลี้ยงหมาให้เพื่อนค่ะเพื่อนกลับไทยแล้วก็อกลับเดือนครึ่งก็เลยมาอยู่บ้านแถาค่ะมีอะไรไหมวันนี้หนูช่วงนี้หนูมีข้อสอบค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ถึงกระสอบตกนะคะพระอาจารย์แต่หนูก็ไม่ได้เอค่ะแล้วก็ มันแบบเหมือนหนูยังไม่พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็คือใจมันก็ยังทำมัน ย, ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้ที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้หนูยังอยากให้มันให้มันเหมือนเดิมอะไรอย่างะะเงี้ยะก็พยายามจะเอาใจรักเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอามาเอามาช่วยคิดแล้วก็บางทีก็คือพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะชอบมีบางครั้งจะมีความรู้สึก ทับแค้นใจผล่ขึ้นมาความโกรธอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็พยายามคิดว่ามันก็เป็นกิเลสของเราเองในอดีตที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะทําอะไรลงไปแล้วก็ณนะวันนี้มันก็เลยมีผลนี้ตามมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ยากนิดนึงค่ะค่ะอาจารย์ก็พยายามแบบพยายามสงบใจอยู่แต่ก็ขึ้นคื น, นลงๆค่ะช่วงนี้ ย, ายามอมรับกับสภาพที่เราตกอยู่อย่าไป อย่าไปฝืนอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเหมือนฝนตกอย่าไปอยากให้มันหยุดวันมันตกไป่อทำอะไรไม่ได้ก็รอให้ฝนหยุดก่อนตันนี้ก็อยู่เฉยเฉยไปเข้า<ป>ใจไหมเข้าใจค่ะอืมตัวอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศสภาพนชีวิตของเราแต่ละขั้งมันก็เหมือนดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อย ค่ะผอาวุโสเขาประคุณมากค่ะอาจารย์ถ้าเราไปลังเกีจเราไปอยากไม่ให้มันเป็นเราก็จะทุกข์อ่ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่กับมันไปค่ะถ้าทําใจให้ชอมได้ยิ่งดีจะชอมได้ก็จะเป็นความสุขขึ้นมาทันทีเ อ, อ๋อเนี่ยเป็น<ห>ข้อสของเรามันมองว่าเป็นข้อสองของเราเราต้องอยู่กับมันให้ใหได้น่าแฮปปีก้กับมันได้ด้ พย้ยามองว่าบางอย่างเป็นเวรเป็นกรรมค่ะว่าจารยนว่าแบบเราไม่เจอมันวันนี้เดี๋ยวมันจะเจอไปซะเลยแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันเดี๋ยวมันก็ใชใช่กรรมไปทําได้ไหมประมาณนั้นค่ะมันก็ดีก็ดีขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังอย่างเงี้ยยังรู้สึกได้ว่าเนี่ยแค่มาพูดให้ฟังเนี่ยก็กระตุกละก็เริ่มแบบ ใจสั่นขึ้นมาเริ่มแบบมีอาการอะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าก็ยังยังไม่โอเคเท่าไหร่สมาธิไม่พอต้องพยายามทำสมาธิให้มากขึ้นตองนี้ขาดูเบกขาปัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิใช่ไหมคะไม่งั้นก็จะไม่ดับต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุน ปัญญาเราไม่ได้เก mm ิดจากสมาธิเรแต่ต mm ้องมีสมาธิมาสนับสนุนปัญญาปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์ตายรักอนิยัสสัตติแต่ถ้าไม่มีสมาธิมาสนับสนุนมันก็จะทคิดไม่ได้มันจะมีความหยุดความอยากไม่ได้มีปัญหาไม่ได้อตอนนี้ปัญหาคือใจมันไม่ยอมใจมันยังไม่ยอมรับความจริงยังไม่ยอมรับตายรัก นั่นต้อให้มันยอมรับรในการทําทําสมาธิให้มันนิ่งใจนิ่งแล้วมันก็จะยอมรับได้อ่นนะอนข้อสคะกดี๋ยวฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆตอนนี้อย่าไปคิดเลยคิดพอแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงปัญญารู้แล้วาใจมันไม่ทําตามปัญญาสั่งเข้าใจไหมเขัาใจและเอ่าเนบบต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจมันนิ่งแล้วมันก็จะทําตามคําสั่งของปัญญาได้ ค็ให้ให้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรค่ะพอใจค่ะพระอาจารย์จะไปพยายามฝึก ต, ต่อค่ะขอบพระคุณแม่ค่ะโอเคนะอ่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ ะ, ะคุณลามีกี่คำถามวานนี้แบบในมรส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟ e b ุ๊ k พระอาจารย์สุ ช, ชาติเจ้าคะ่ะคำถามแรก นับนมัสการพระอาจารย์ครับพระอริยะผู้ที่พ้นแล้วกับปุตุชนคนธรรมดาเวลามองธรรมชาติเช่นภูเขาแม่น้ําลําธารดอกไม้ก็มองว่าสวยได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่ผู้ที่หลุดพ้นแล้วเห็นว่าสวยแต่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เห็นใช่ไหมครับก็เห็นตามความเนจริงมันสวยก็สวยมันไม่สวยมันก็ไม่สวย ถ้าไม่เลยไปไปไปไปปรุงแต่งมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอุปทานไม่มีความยึดบ้านถือมั่ น, มนไม่มีความยินดีน่ากับสิ่งที่ท่านเห็นคำถามต่อไปเวลานั่งสมาธิถ้าไม่มีนิวรณ์ไม่มีการมรารคะไม่มีความอยากหรืออยากอะไรใจนิ่งสงบดีแบบนี้ ต้องนั่งไปรอให้กิเลสผุดขึ้นมาในใจแล้วหาวิธีละใช่ไหมครับเวลานั่งสมาธิแต่สั่งบมันกิเลสไม่ไม่โผล่ขึ้นมาไม่ต้องไปรอมาแล้วเวลาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาเองเวลาอยู่ในสมาธิมันไม่โผล่หรอกในสมาธิเราต้องการทําใจให้นิ่งพอใจนิ่งแล้วกิเลสก็ทํางานไม่ได้แต่พอเราออกจากสมาธิมาพอใจเราเริ่มคิดนะั่นทีนี้กิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมา ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามามาหยุดมันถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนคำถามสุดท้ายจากคุณอ้อสอบถามค่ะพระอาจารย์ลูกไปปฏิบัติธรรมมาและไปเรียนสมาธิมาเรียนวันเสาร์กับอาทิตย์เรียนจบแล้วค่ะลูกควรจะเลือกปฏิบัติแนวทางไหนคะมีความกังวล ลูกปฏิบัติเช้ากับเย็นคอยฟังธรรมพระอาจารย์ตลอดค่ะแนวทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีทางเดียวถนัดที่จะพาไปสูก่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้รักษาศีลอย่างอยศีลแปดขึ้นไปถ้าอยากปฏิบัติแล้วไปยามเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นสมาธิออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญาพิจารณาตายละพิจารณาริยสั้นสีโอเคนะหมดแล้วเจ้าพนะ